สัมมาสัมพทระคาวธังพะควันตังอะภิวาเทสวะขาโตบาคาวาตาธัมโมธัมมังสะสุปัิปันโนบาคาวาโตสาวะกสังโกสังันนะโม ตัสสะมคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะมคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะควะโต ติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมโวิจารยาาสัมปันโนสุขตโลกวิถุอาุตตโรริสัตถมสารติสัตตาเดวมนุสานัง โตสาวะกะซังโกปุจปติปันโนภควะโตสาวกะซังโกญาญปติปันโนภควโตสาวกะซังโชาติกาจัตตาริภริสายุ นาที กายนาวาจายวะเจตัสสาวะผู้เทุคขมังปะตะไม่ยั้งคุณโตปฏิปันหาธรรมเดยตังการันตเลจานไวตุงวาผู้ที่ยกายนวาจายวะเจตัสสาวะสามีคุขังปะตะไม ปฏกานาทัอาจยันตังตาลันตะเรสังวิตุวะธรรมตาเยนะวาเยวาเทตสาวาสังเคุกมภะตัมยายังสังโคปฏิานัอาจยันตังตาันตะเสังวาริตุวะ ขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายนะที่ตั้งใจจะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาเนะี่ที่นี้ในการศึกษาคําสอนนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นมากทําความเข้าใจให้ถูกเมื่อทําความเข้าใจให้ถูกแล้วเนี่ยนะจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดสัจจะทั้งสี่คือความจริงนะกล่าวมาสองวันสาวันนะในเรื่องของความเหียนที่ยังไม่ตรง พยายามที่จะนำเสนอตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในทั้งพระไตรปิฎกอัตถกถ า, าและก็ดีกาจากคำภีต่างๆนะมาประมวลประมวลแต่ไม่สามารถจะหยิบยกมาทั้งหมดได้ทำไมต้องย้ำเน้นในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงนี้สาเหตุหนึ่งก็คือว่าในยุคที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาประมาณสองร้อยกว่าปีมาถึงสา0ร้อยปีนะ มาในสมัยที่พระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยนะ <c oughs> ก็แปลประมาณเกือบจะสามร้อยปีฉะนั้นถ้าเราดูจากประวัติของพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยนะที่ท่านได้สร้างคุณูปการให้กับพระพุทธศาสนาสำหรับบุคคลที่จะไปที่ประเทศเอินเดียเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยผลงานของท่านที่ท่านได้นำศิลาจารึกไปปักในสถานที่ต่าง โดยเฉพาะเสาหินโศกนั้นนะ่ะเป็นคุณูปการเดื๋ยชาวพุทธเป็นอย่างมากและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราสืบค้นในพระคำคำสอนของพระพุทธเจ้านะีในชั้นของอัจถริยหรือในชั้นของดีกาถ้าต้องการอยากจะสืบค้นรายละเอียดต้องไปดูในพระวินัยยบิดกโดยเฉพาะในชั้นของคัมภีสมันตาภาษาธิกาอัจถริยแล้วก็ในชั้นของสารถาทีปนีดีกาพระวินยัย เราจะได้เห็นร่องรอยและคุณูปการของที่ท่านพระเจ้าสูงท่านทํากันไว้มีประการหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าแม้พระพุทธศาสนานั้นเนี่ยล่วงเลยมาไม่นานเลยแม้ในยุคของพระบรมศาสดาเองนั้นก็ยังมิจฉาทิฐิยังมีมิจฉาทิฏฐิบุคคลอุบัติเกิดขึ้นมาเนะี่เป็นเสี่ยนเป็นตอเป็นหนามของระศาสนาที่ในคําสอนที่เราจะได้ยินกันโดยทั่วๆไปใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่า พระศาสนาของพระบรมศาสดา น, ะนั้นนไม่มีใครมาทำลายได้บุคคลที่จะทำลายได้ก็คือนี่แหละบริษัทสีนี่แหละที่จะมาทำลายท่านก็เลยอุปมาบอกว่าราชสีเนี่ยโดยเฉพาะราชสีนั้น mm hmm. ใบญดาเสือทั้งหลายหรือว่าศัตรูของราชสีทั้งหลายนั้นไม่ไม่สามารถจะทำลายราชสีได้หรอกแต่หนอนที่เกิดในตัวของราชสีเองก็สามารถที่จะฆ่าชีวิตของราชสีได้ชั้นใด ฉะนั้นภัยต่างๆเนี่ยนะนอนในที่นั้นหมายถึงว่ากระแสะขันท่าดยตนะของเราท่านทั้งหลายเนี่ยถามว่านอนตรงนั้นก็คืออสกฤติถินี่แหละที่มันทําลายนะกระแสะขันท่าดยตนะของสัตว์โลกทั้งหลายให้จมดิ่งอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยตลอดถึงบอกว่าเกี่ยวกับความเห็นผิดที่มันเกิดขึ้นในใจของพุทธบริษัทนี่แหละที่มันทําลายพระศาสนาทําลายคําสอนของพระบรมศาสดากันอยู่เนี่ยนะ เราจะเห็นได้ว่าหลังพุทธบรินิพานประมาณเจ็ดวันเนี่ยนะก็จะมีอรชีพิขุเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นร้อยวันใช่ไเออรอยประมาณร้อยปีเนี่ยนะมีการทำทุติยะสังคยนาใช่ในช่วงที่พระยาศากากัระบุตรเป็นประธานในการทำทุติยะสังคยนานั้นก็ยังมีกลุ่มวัชีบุตรที่ประกาศวัตถุใช่ทั้งสิประการก็คือนั่นคือกลุ่มมิจฉาทิถีนั่นแหละ ในกรณีที่มาเหยียบย่ำไม่ทำคําสอนของพระบรมศาสดาหลังจากมีการทําสังกญนาครั้งที่สองเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยป้าหลานตาเจ้าทั้งหลายท่านก็เร็งด้วยอนาคตังสยานใช่ไหมแล้วก็เห็นภัยของพระาศาสนาที่จะเกิดในยุคของสามร้อยปีก็คือยุคพระเจ้าโศกแล้ในสื่อจริงๆก็มีการอัญเชิญติสพรมมาถือปฏิสนธิในการในครนั้งของนางพรหมณีเป็นต้น และในดงมิจฉาทิฐีทั้งนั้นเราก็จะเห็นอยู่ท่านก็มีพระอรหันต์รับรองท่านและในที่สุดจริงๆท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมและท่านมโมฆะลีบุตรนี่แหละท่านก็ได้ชําระเป็นประธานในการชําระตัติยสังขยาในช่วงนั้นก็คือมิจฉาทิฐิก็เกิดเต็ไมไปหมดในศาสนาใช่ไหมในช่วงที่เราดูว่าพระเจ้าอาโศกชาระเสีย น, น้ำของพระศาสนาก็คือชําระอะไรชําระเกี่ยวในเรื่องของพวกศ ส, สตะ วาทะคือผู้มีกล่าวตนและโลกที่ยังเป็นต้นนี้แหละถ้าไปดูในชั้นของคำภีร์เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าในบรรดาสักกายทิฐิทั้งหลายเนี่ยนะที่ไปบัญญัติรูปว่าเป็นอัตตาเป็นต้นอะไรเนี่ยนะแล้วในที่สุดจริงๆเนี่ยอัตตาทิฐิหรือสักกายทิถีเนี่ยมันก็พัฒนาตัวมันเองไปเรื่อยๆในที่สุดจริงๆก็ไปฝังแน่นในกระแสขันธาได้ใชนะ่ไหมในที่สุดจริงๆก็กลายเป็น จากสักยทิฐิที่เห็นรูปโดยความเป็นตนตนมีในรูปรูปอยู่ในต น, นตอนอยู่ในรูปเป็นต้นเหล่านี้นะแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้ยในที่สุดจริงๆก็พัฒนาตัวไปเป็นสัตสตติฐิเห็นว่าเที่ยงแล้วก็เป็นเอกจาศัตตติฐิใช่ไหมเป็นต้นแล้วก็อันตานันติกาทิฐิแล้วก็อาทิตย์จาศุปปั น, นทิฐิแล้วในที่สุดจริงๆก็พัฒนาเป็นอมราวิเคปะ วาททิฏฐิเป็นต้นเราเนี่ยนะสรุปก็คือว่าในบรรดาทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นนะนะไม่ว่าจะเป็นบรรดาในกลุ่มของทิฏฐิที่เป็นไปในส่วนของอดีต18ทิฏฐิที่เป็นไปในส่วนของอนาคตอีก40 44เป็นต้นเราเนี่ยนะรวมที่สุดจริงๆก็คือเป็น62สิบแล้วก็มีสักยะทิฏฐิอีกยี่รวมเบ็ดเสร็จก็เป็นนั่นแหละทิฏฐิหกดังที่ได้กล่าว ในบรรดาทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเกี่ยวกันในเรื่องของสัตว์สตาทิฏฐิเอกัจจาศัตสต า, ส า, ส า, สาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยเป็นความเห็นว่าเที่ยงเป็นต้นทีนี้ในรายละเอียดต่างๆก็ก็ไปเจาะมากแล้วสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะในที่สุดจริงๆก็คือว่าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอันตานันติกะวาทะอันตานี่ยก็แปลเป็นที่ถึง สืบไปถึงที่สุดของสภาวะได้แก่ขอบเขตชื่อว่าอนันตะก็คือการปฏิเสธอนตะนั้นคือปฏิเสธว่าไม่มีที่สุดถามบอกว่าที่สุดของอัตตามีสภาวะเป็นปฏิภาคคณิมิตรเป็นต้นอันถึงความนับว่าเป็นโลกกว่าแต่ว่าอันเจ้าทิฐิหรือมิจฉาทิถิทั้งหลายในผู้มีความต้องการจะออกจากสังสารวัฏเห็นอยู่ หรือเป็นสิ่งที่เจ้าทิฏฐีทั้งหลายพีผู้มีความต้องการจะออกจากสังสารวัฏเหล่านั้นมองเห็นบุญเห็นบาปและมองเห็นผลของบุญของบาปนั้นอยู่ที่สุดไม่มีไม่มีที่สุดด้วยที่สุดและไม่มีที่สุดด้วยเป็นต้ น, น, นเนี่ยนะี่นะในที่สุดจริงๆก็คือเพราะอะไรเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นความเป็นไปของนามรูป ที่บอกว่าความไม่เห็นความเป็นไปของปฏิจจสมุปาใช่ไหมที่บอกนามรูปปปัจจายาสรายตนะก็แปลว่านามรูปนามและรูปเนี่ยนามรูปเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาเป็นต้นเนี่ยด้วยเหตุผลของสัตว์เหล่าเนี้ท่านไม่เข้าใจท่านไม่เข้าใจความสืบต่อกันของกระแสขันดังที่ได้กล่าวไงบอกว่าอย่างเราท่านทั้งหลายเนยมันเริ่มจะมีความเห็นความเป็นอัตตาในปัจจุบันเนี่ย ที่ได้กล่าวบอกว่าทัศนาสัน ต, ติคือการสืบต่อจากทางทวารตาเป็นต้นเหล่าเนี้ยสัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่เห็นความสืบต่อทางทวารตาไม่เห็นความสืบต่อของทางทวารตาเป็นต้นเนะเมื่อไม่เห็นความสืบต่อในสุดสัตว์นั้นก็สําคัญว่าเราเนี่ยแหละเป็นผู้เห็นสภาวนาสัน ต, ติความสืบต่ อ, อทางทวารหูมีอยู่ สัตว์โลกนั้นก็ไม่เข้าใจไม่เห็นความเกิดดับสืบต่อไม่เห็นชาราธรรมมรณาธรรมที่มีการเกิดดับสืบต่อกันทางทวารหูสัตว์โลกนั้นก็ไปเข้าใจว่าเราได้ยินไงนะี่ยกายนาสันติความสืบต่อทางทวารจมูกมันมีอยู่การกระทบกันระหว่างกลิ่นใช่ไหมและคานหประสาทแล้วก็ คานาวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาเนี่ยภาษาเป็นประจัยจึงมีเวทนาเป็นต้นเนี่ยสัตว์โลกก็ไม่เห็นความสืบต่อกันทางคานทวารก็เลยเป็นสำคัญว่าเราได้กลินใช่ไหมเราได้กลิ่นกลิ่นนั้นเราเป็นผู้ได้ยินได้ได้กลิ่นเป็นต้นกลิ่นอยู่ในเราเป็นต้นก็ว่ากันไปตามลําดับเนี่ยนะและในที่สุดจริงๆในสายนาสันตติคือการสืบต่อกันทางทวารลิ้น สัตว์โลกทั้งหลายวาเวลาไปกินอาหารว่าเราอร่อยเราไม่อร่อยเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมจากการที่ได้สัมผัสที่เรากินอันู่มาสักครู่เนี้ยมีเราเต๋ไปหมดเนี้ยนะอันนั้นบ่งบอกให้เห็นชัดว่าสัตว์นั้นไม่เห็นชราธรรมรณะธรรมในสายนาะสัน ต, ติคือการสืบต่อกันกลางชิวหาทวารและก็ผุสนะสัน ต, ติการสืบต่อทางทวารกายก็ในยะเดียวกันนี่แหละ สัตว์โลกทั้งหลายก็บอกเราเป็นผู้ถูกต้องการถูกต้องนะแม้เราถูกกระทบกระทั่งเป็นต้นเหานี้ทางถาวรกายเราถูกตีหัวเราถูกทุบตัวเราถูกกระทําจํายีต่างๆตัวเนี้ยก็เลยกลายเป็นผู้ว่าเราเป็นผู้ถูกต้องเป็นต้นความสําคัญผิดของสัตว์ทั้งหลายก็ยึดมั่นถือมั่นกันไหมอัตราก็ไปแทรกอยู่ในทุกๆจุดแม้ขณะที่เราท่านทั้งหลายไม่ได้อาศัยทางกายทางจักรถาวรโสตถาวรกานะวาวรชิวหาวารกายยะถารแม้ทางใจเนีย จินตะนาะสันตติก็เกิดสืบต่อกันไหมเราคิดเราสุขเราทุกข์เราเข้าใจเราไม่เข้าใจบุญเกิดกับเราบาปเกิดกับเราต่างๆ่างเราเนี่ยเราได้บุญเราได้บาปใช่ไหมเราได้ดีเนอเราไม่ได้ดีเนอเป็นต่างๆเราตกนระกเราเป็นอบาศาสตร์อะไรเยอะแยะเป็นหมดเลยตอนเนี้ยแมมเราเป็นเทวดาเราเป็นพรหมเรามีพ่อเรามีแม่เรามีบ้านเรามีรถเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จัก มีคำว่าเราเข้าไปยึดเ ต, ต็มไปหมดเขาใจยังนี้มาจากคำว่าจินตนาสันตตินะคือเราไม่เห็นความสืบต่อกันของความคิด นะว่าความคิดแต่ละความคิดเนี่ยแท้ที่จริงมันมาจากเหตุปัจจัยเราก็ไม่เข้าใจนะพอไม่เข้าใจในสุดความสําคัญว่าสัตว์เข้าใจเราไม่เข้าใจเป็นต้นเขาว่าเราเขาชมเราเขายกย่องเราคนคนนี้น่ารักคนคนี้น่าชังคนคนนี้น่าเข้าใกล้คนคนนี้ไม่น่าเข้าใกล้มันก็จะเต็มไปหมดตัวเนี้ยนะสัตว์บุคคลก็มาเต็มไปหมดสัตว์โลกทั้งหลายเห็นความสืบต่อของความคิดไหมนี่แหละโทษของ การไม่กระจายใช่ไหมถามความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเ ต, ต็มไปหมดเลยตรงเนี是是้ยอัตราทิศถี่เต็มไปหมดใช่ไหมถามว่าอัตราโดนกระจายไหมไม่ได้กระจายเลยรเลยในที่สุดจริงๆเมื่อวานนี้ก็เราวันนี้ก็เราเมื่อเช้าก็เราตอนเที่ยงก็เราตอนนี่คลอบบ่ายหน่อยก็เราเดี๋ยวเย็นก็เราก็กลับไปนอนใช่ไหมแล้วพอนอนหลับไปก็เรานอน是是 <laughs> ใช่ไหม เข้าใจยังโอ้เราจะต้องเรียนมากๆเราจะต้องแรงต่างเนี่ยเพราะเราเรียนมากแล้วเราเลยมีความรู้คนไม่เรียนกับเราเขาแม่งเขาโง่กันเข้าใจไหมตอนเนี้ยนะเข้านะเข้าไปรู้ขั้วไปแล้วใช่ไหมเนี่ยงั้นเราเป็นพรมเราเป็นเท้ามหาพรมเราเป็นเนวสัญญานะสัญญาญาธนาบรมในจริงเราเป็นสัตว์นรกแล้วก็ออกไม่ได้เห็นไหม สักยะทิฏฐิเนี่ยเป็นประธานของบาปปฏิทิฐิบาปประการทั้งหลายทุจริตทั้งหลายมิจฉากรรมทั้งหลายทุจทริตกรรมทั้งหลายเนี่ยมาจากบาปปฏิทิฐิอัตติทิฏฐินี่แหละมาจากสักยะทิฏฐินี่แหละก็บ อ, อกเป็นประธานของทิฏฐิเป็นประธานของบาปประการทั้งหลายโดยประการอย่างนี้จริงๆน่าจะเอวังแล้วนะเนี่ยใช่ไหมต่อไปเดี๋ยววิจัยกันต่ออีกหน่อยนะ ตรงนี้ถ้าหากว่าในด้านของอันตานันติกาวาธาเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็ไปดูในรายละเอียดได้นะถ้าใครต้องการอยากจะืค้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีในดีกากล่าวไว้ในสาราถาทวันี้ดีกาพระวินัยไปดูนะไปดูในดีกาพระวินัยเนะต้องการไปอ่านอ่านไปอ่านมาแล้วก็ไปนั่งมึนๆอยู่เนี่ยเราไม่เข้าใจว่าอนกันอ่านยากเหลือเกินนี่ยนะเอาจริงนะเขามีอยู่ไม่กี่หน้าแต่อ่านแล้วต้องมีข้อมูลอย่างวาก ก็ตรงนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการทำลายอัตตาเนี่ยนะเรียการตตาทำลายมิจฉาทิฐีเนี่ยเมื่อสามารถแทงตลอดสภาวะลักษณะแต่ละอย่างเน้ว่าปฐวีธาตุมีลักษณะแข็งจักขูวิญญาณมีลักษณะเห็นรูปอารมณ์โสตวิญญาณก็ได้ยินเป็นต้นอะไรเนี่ยนะแล้วก็ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นวัตถุเนื้อเดิมแท้ของรูปประสันฐานและนามสัญติได้นะ ถ้าแทงตลอดไปจะถึงชาาธาตุและมรณะธาตุของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาได้แต่ละระดับทุกๆขณะได้แล้วนะความเป็นอัตตาของรูปประสันถานและนามสัญติก็จะมีก็จะมีไม่ได้ และในสุดจริงๆนะย า, ญยาญนญานะต่างๆหรือปัญญาต่างๆเขาจะวิปัสนาสัมมาทิฏฐินี่นะก็เข้าไปวิจัยเข้าไปพิจารณาเนาะความเพียรก็เพียรพยายามในการที่จะารละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะแล้วก็สติก็ตามลึกในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมายมะสัมมาสติก็ทํากิจในการที่จะวิจัยก็เรียกยานนั้นเกิดขึ้นเพื่ออะไร เพื่อทำลายอัตตาทิฐิทำลายอัตตาความเปเห็นว่าความเปสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาเป็นตัวตนต่อ ต, ตัวเขาเนี่ยนะ โดยทั่วไปแล้วโลกิยชนย่อมไม่รู้ว่ามีความแก่ทุกๆขนาดดังที่ได้กล่าวและในขณะเดียวกันก็มีความตายทุกๆขนาดดังที่ได้กล่าวใช่ไหมในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในไตในหัวใจในตับในผังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองดีเสเลดหนองเลือดเงือมันคข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูดเป็นต้นเหล่านี้นะในทุกจุดของอนูของร่างกายนั้นในรูปธรรมทั้งหลายมีชะลาธรรมไหม มีมรณธรรมไหมทุกๆขนาดเลยไหมเห็นไหมสังเกตดูว่ารูปธรรมรู้เอาแค่รูปธรรมเนี่ยนะป๋าถามว่าชราธรรมกับมรณะธรรมตอนกินข้าวชราธรรมมรณะธรรมในขณะที่มาฟังธรรมตรงนี้ไอ้ตรงนั้นหมดไปหรือยังแต่เราสำคัญว่ายังไม่หมดนะลึกๆใช่ไหมฉะนั้นในทําความเข้าใจว่าหมดไปจริงๆตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าหมดไปจริงๆก็ใขว่คว้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้นะให้เห็นว่าจริงๆมันคนละขนาดกันจริงๆนะ ให้เข้าใจอย่างนั้นก่อนก่อนที่จะไปเข้าใจเหตุปัจจัยของเขาอีกนี่นะให้เข้าใจตามความเป็นจริงตรงนี้ให้ชัดก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะเราจะได้เข้าใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่โดยความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแต่เราจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นมันเข้าใจผิดเราต้องบอกว่าเรานั้นเป็นคู่อีกองเข้าใจผิดเราถูกความเข้าใจผิดนี่ปักแน่นใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ยอมถา ม, มมันจะมาบอกว่าก็เห็นนะเพราะั้นนะก็พิจารณาก็เห็นโทษไม่ใช่ไม่เห็น พิจารณาก็รู้ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันก็ไม่กลัวใช่ไหมมันก็ไม่กลัวเออมันไม่กลัวแต่ถามบอกว่าก็ความคิดว่าไม่กลัวเนี่ยมันไม่ใช่มึงไม่คพิ่งเกิดเพราะความคิดอย่างนี้ไี่แหละเราจรึงกลายเป็นผู้ที่ไม่อยากออกเยวิฏฐะบางทีก็ยอมจำนนใช่ไหมคิดแบบว่าไม่อยากออกหรอคิดแบบว่ายอมจำนนทําไมถึงไม่อยากออกหนึ่ง วิริยะสมาทิฏฐิเราน้อยวิริยะสมาทิฏฐิเราน้อยสัจทินซียเราน้อยเห็นไมศรัทธาเราน้อยวิริยะก็น้อยถามว่าทําไมวิริยาน้อยเราไปดูตรงไหนเราไปดูในคําสอนหลายสูตรเลยนี่นะเอาทุกกล่ามาติกาไปดูไปดูในสังเวชนียทุกกะไปดูสังเวคะเนี่ยนะองค์ธรรมได้แก่ปัญญากับวิริยะองค์ธรรมของพรมบทได้แก่ปัญญาองค์ธรรมของทุติยยุบที่แก่วิริยะ เขาไปเห็นอะไรก็ไปเห็นชาติภัยชร า, าภัยมราณะภัยเห็นความโศกความล่ําไรลํำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความเขาแค้นใจอะ่ะการวิจัยตรงนั้นน่ะน้อยความเพียรใช่ไหมที่พูดถึงความเพียรวันก่อนใช่ไหมนั่นแหละอัตถะของความเพียรตรงนั้นต้องกลับไปวิจัยใหม่ต้องกลับไปวิจัยวิริยะสัมมาทิฏฐิใหม่ว่าใช่ไหม ก็คือทำไมวิริยาของเรามันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเพราะเพราะเราไม่ได้เอาหนังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดต่างๆมาตั้งเป็นประธานเขาฮะนะถามบอกว่าเออคนที่เขามีความเพียรกันที่อรรพธาตุนิกรรมธาตุปรากรรมธาตุนี่ยความเพียรที่ก้าวเข้าหาความเจริญจริงๆเนี่ยนะที่เขามีความบากบาั่นนี่จมายกตัวอย่างบอกว่า อ, อที่เขาบอกว่าวัวและควายเนี่ยนะถามบอกว่าเวลามันเแอกใส่ไว้ที่คอของมันเนี่ย แล้วมันก็ต้องการจะแบกหรือรากสัทถธสัมภาระคือเกวียนทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นเนี่ยมันจะไม่ยอมให้แอกตกถึงพื้นเนี่ยไม่ยอมให้แอกตกถึงพื้นเนี่ยนวบอกเจ้าของก็ไปตบสีข้างบอกชาวเราเอ้ยเนี่ยพ่อมหาเจริญบอกว่าเนี่ยถ้าชีวิตของเราท่านทั้งหลายไม่สามารถบรรทุกเวียนห้าร้อยเ ล, ล่มเวียนเหล่านี้ ขึ้นจากลมใช่ไหนี้ได้เราก็จะตายคาอยู่ลมนี่แหละถ้าเราให้แอัดนั้นตกถึงพื้นว่าอะไรแปลว่าชีวิตของเราก็จะตายจำปากอยู่ในลมนี้ชั้นได้เมื่อได้กําลังใจอย่างนั้นเบีดเสร็จแล้วก็ไปพิจารณาว่าเราจะต้องตายและจมอยู่กับลมกับปากกับโคนนั้น <c oughs> ก็ตั้งความเพียรในการที่จะระดมความเพียรเขาถึงบอกว่าพิจารณาอนาคตอภัยใช่ไหม อนาคตภัยก็คือบอกว่าหนึ่งชร า, าภัยเนี่ยปัจจุบันเนี้ท่านทั้งหลายบางคนนี่ชะลาภัยก็บีบเบียดเ บ, บียนขนาดหนักแล้วมรณะภัยทุกๆขนาดจิตทีนี้เราชะลาภัยที่มันความแกงงอมของอินทรีย์ทั้งหลายความแกงงอมของจับขุนซีโสตินทรียคาร์เนรียชิวหินรีไกายินรีใช่ไหมความแกงงอมของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายเนี่ยมันก็แสนสาหัสหและนะ้วนปัจจุบัน และอีกนายวาระหนึ่งซึ่งเป็นวาระไม่นานเนี่ยมรณะภัยที่การขาดลงแห่งภพมันจะถึงอยู่แล้ว <c oughs> ฉะนั้นถามบอกว่ากุศลใดๆต่างๆที่เรายังไม่ได้โดยเฉพาะวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเรายังไม่แข็งแรงเลยอ่ะใช่หมยังไม่แข็งแรงเลยวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็ดี วิริยะที่เป็นสัมมาทิฏฐินะที่เข้าถึงสัมมาทิฏฐิสติที่เข้าถึงสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาสังกปรสัมมาวาจสัมมากรรมตะสัมมาชีวสัมมาวิมะสมาสติแม้แต่สัมมาสมาธิเรายังไม่ได้เอาสัมมาทิฏฐิสัมมาวิมัสมาสติไปขยายไปแวดล้อมทําให้บรรดามรรคข้าสัมมาทิฏฐิเหล่าเนี้ยมีกําลังแข็งแรงและขยายวงให้กว้างขึ้นเลยอะจํากัดมากแคบมาก บางครั้งแม้วัตถุชิ้นเดียวเรายังเดินมัดไม่ครบเหมเช่นยกตัวอย่างเช่นเอาเสียงเอาเอาเสียงของลูกนี่นะเสียงของหลานทุกคนเนี่ยถามว่าเราไม่เคยทําสมาธิถิในเสียงลูกเสียงหลานเลยแล้วเราไม่เคยเดินสมาธิถีเลยเราไม่เคยเดินสมาธิปากกับเสียงนั้นเราไม่เคยเดินสมาวาจารสมากรมมตาสมาชีวสมาโอมัสสมาสติสมาสมาธิ เราไม่เคยเดินมาร์กครบเลยในเสียงเสียงนั้นเสียงเดียวไม่ต้องพูดถึงเสียงอื่นใช่ไหมเป็นงั้นจริงหรือเปล่านี่เข้าใจไม่พูดประเด็นเนี้ยละจริงไม่จริงเช่นบางทีเนี่ยเรามีความเข้าใจผิดในแก้วใบนี้ใช่ไหมเราไม่เคยเดินสมาธิทีได้เลยแล้วก็ไม่เคยจะเพียนจะละความเข้าใจผิดในแก้วชิ้นนี้แก้วใบนี้แล้วก็ไม่เคยตั้งสติในการที่จะละความเห็นผิดในแก้วนี้ แล้วไม่เคยดําริแก้วดวงนี้ก็ดําริี่ผีดติดเรื่อ ย, เ, ยเราไม่เคยมีสมาสังกปะแล้วก็ไม่เคยมี ords, สมาทิถีติสมมาวิมารสมมาสติมาแวดล้อมเพื่อจะดําริี่หาแก้วใบนี้ผิดได้ถูกสักทีเลยนะแม้การกล่าวถึงพกแก้วใบนี้ก็ไม่เคยกล่าวด้วยสมมาวจาไม่เคยเดินสมาธิถีิสมมาวิมารสมาสติเพื่อจะทําให้การกล่าวหรือพูดถึงแก้วใบนี้ได้ความเป็นสมมาวิจาที่กว้างขวางเลยสมมากรรมันต์สมาชีวะสมาสติสมมาสมาธิก้อนในยะเดียวกันนี่แหละ เราไม่เคยจะเดินสมาธิถี่ครบองค์เลยแค่แก้วใบเดียวเนี่ยก็ลองคิดดูถามว่าเรามันแคบแคบขนาดไห น, นชีวิตของเราเนี่ยนะแคบแคบไหมล่ะใช่ไหมใช่เราคิดถึงแก้ว ดำริถึงแก้วพูดถึงแก้วทําการงานที่เกี่ยวกับแก้วเลี้ยงชีพที่จะต้องใช้แก้วนั้นเพียรเพื่อจะระลึกถึงแก้วนั้นสติตั้งในการที่จะระลึกถึงแก้วนั้นสมาธิตั้งมั่นในการคิดในตั้งมั่นในแก้วไปนั้นไม่เคยเดินสมาธิสมาวยามาสมาสติได้เลยอะเขาจะยังเนี้ยแค่ชิ้นเดียวเนี่ยเรายังไม่เคยทําครบวงจรเลยเนี่ยถามอย่าแปลกนะถ้าเรายังไม่คิดอยากออกจากครบใช่ไหม เพรเราไม่เคยเดินเป็นกระบวนท่าตะเคียร์ใช่้หมก็หมายความว่ า, าไม่เคยเดินได้สุดรอบมาร์กได้เลยอะเป็นงั้นจริงไหมล่ะในชีวิตจริงๆเราไม่เคยมาคิดกันอย่างนี้เลยแล้วอะไรคือวิปัสสนาอะไรคือวิปัสสนาใช่ไหมเอาที่นั่งเรียนไปดิามาให้เรียนตั้งแต่เกิดในยันตายอเอาที่ไปปฏิบัติที่ปฏิบัติตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ยถ้าคุณคิดสมาธิถี่ไม่ได้ ถ้าคุณเดินอริยมรรคไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมบอกว่ามรรคมีองค์แปดมีในภาษาศาสนานี้เท่านั้นใช่ไหมแล้วปฏิปทาแห่งความพ้นทุกข์นะใช่ไหมใช่อันนี้ยกเพียงตัวอย่างแต่งานวิจัยเป็นเรื่องอีกเยอะงานเข้าถึงเป็นเรื่องอีกเยอะใช่ไหมใช่แล้ววันหนึ่งเราคิดถึงใครเราคิดยังไงใช่ไหม ใช่เอา้าแล้วจะทำยังไงแต่เนี้ยเอาสิก็คนเขาจะทําความเพียรกันทําไมก็หกสิบปีทําไมก็าแปดสิบปีใช่ยังเห็นนี่ยังแต่เนี้ยก็อะไรเป็นอะไรแล้วเขาเดินในสมาธิทีนะไม่ได้เดินดในวิจัยทีทีนะเขาเข้าใจถูกนะที่โอบามาที่อะจละอัตทิธีนยะเขาเข้าใจอย่างดีแล้วนะในการที่ไปวิจัยเนี่ยอย่าแปลก ถ้าเรายังคิดไม่อยากออกถ้ามีใครบอกอจะมาโอ้โหเล่าร้อนอยากจะออกอาจมาจะไปถามข้อมูลนะคุณคิดยังไงใช่ไหมอันนี้แปลว่าคุณพิเศษแล้วฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้ถือปกติเขาให้พิจารณาถึงอนาคตภัยหนึ่งถึงชรลาฮนที่มันจะมาถึงแล้วจะนําไปถึงมรณะที่อันใกล้นี้ต้องรีบระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงโซดาปฏิมา ถ, ถึงหรือยัง บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุโสดาปฏิผลบรรลุยังทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนิพพานของรโสดาบันไดหรือยั ง, ยงเห็นไหมเนี่ยเขาบอกถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งนี่คิดถึงชลาภายัยมราณาภายัยที่มันจะมาใกล้ชิดสองพิจารณาอะไรพิจารณาถึงว่าตอนนี้ยังเป็นมิจฉาสมายทที่อยู่ ยังพอจะเรียนอะไรเข้าใจแต่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าเราไม่รีบระดมความเพียรเพื่อถึงทำบรรลุทำและทําให้แจ้งที่ทํายังไม่รู้ไม่แจ้งนะ่ะเดี๋ยวมันจะกลับมาครอบอีกอย่ปัจจุบันนี้ไงแต่ก่อนไม่เคยเห็นถูกมาแล้วแล้วมันก็กลับเห็นผิดได้ยังไงล่ะฉะนั้นต้องรีบเร่งระดมความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงบรรลุทำที่ยังไม่บรรลุทําให้แจ้งทําซึ่งยังไม่ทําให้แจ้งใช่ไหมแล้วความเจ็บป่วยตอนนี้ยังไม่มาใช่ไหมแต่มันจะมานะมันจะมานะ ฉะนั้นต้องระดมความเพียรตอนนี้ป่วยยังป่วยได้ออยัง ป, ยป่วยก็ยังคิดว่าเอาอยู่ใช่ไหม <c oughs> เอาอยู่ใช่มะนั้นต้องคิด ต, นะต้องวิจัยใช่ั้ยแล้วเราจะป่วยหนักนะฉะนั้นตอนนี้นยังพอขยับขยื่นไหวใช่ั้มต้องระดมความเพียรไหมระดมความเพียร น, นั้นเพียรอะไร เพ hos, hos, hos, hos, ียนทสําเพียนเพื่อจะเข้าถ em, ึงสมาทิธิเพียนเพื่อจะเข้าถึงสมาสังกปราเพียนเพื่อจะเข้าถึงสัมมาวาจาเพียนเพื่อจะเข้าถึงสัมมากรรมตาเพียนเพื่อจะเข้าถึงสัมมาชีวะเพียนเพื่อจะเข้าถึงสัมมาวายมะเพียนเพื่อจะเข้าถึงสัมมาสติเพียนเพื่อจะเข้าถึงสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะขยาใจยังต้องเพียนอย่างนี้ต้องระดมความเพียน ต้องท่านใช้คําว่าระดมเลยนะไปตดูสา์ดิท่านใช้คําว่าระดมความเพียรเลยทั้งอาราบธาตนิกมธาธาตแล้วก็ปรกรมธามทาตุใช่ไหมคือระดมความเคียร์เลยเอาเอาการเข้าถึงธรรมเอาการมรรู้ธรรมนะี่เป็นจุดตั้งใช่ไหมนี่นี่คิดถึงคิดถึงโรคไัยไข้เจ็บเอาคิดอีกอย่างบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าพระเนี่ยเขาจะคิดบอกว่า ในอนาคตเนี่ยต่อไปนั้นพระจะไม่ได้พระจะไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาพธบริษัทเอ่อพทธบริษัทสี่จะไม่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาพทธบริษัทจะกลายเป็นบุคคลที่ประกาศพระธรรมแบบผิดๆซึ่งจะมีอย่างแน่นอนในอน า, นาคตอันไกล น, ในี้พอคิดอย่างนี้ตอนนี้ยังมีพระธรรมคําสอนที่เป็นสัมมาทิฏฐิหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เร่งระดมความเพียร รีบระดมความเพียรเสียเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เขา้าถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุและทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งเพราะต่อไปอัตตาทิฐิจะก่อมาเข้าปูเพื่องในกระแสขันของาอธาตุอายตนะของชาวพุทธบริษัทก็มีให้เห็นแล้วในอดีตเนี่ยร้อยปีหลังปรินิพานส์ไหมสามร้อยปีหลังพุทธอุริยมีพานในยุคของพระเจ้าโศกเนี่ยมิจฉาทิฏฐิหกสิบสองเต็มหมดพระเจ้าโศก ต้องให้พระโมคคีบุตรเนี่ยเป็นบอกว่าอะไรคือสัมมาทิฏฐิอะไรคือมิจฉาทิฏฐิพอบอกเบเสร็จตนเองก็ต้องนั่งเป็นประธานในการสอบสวนพระเออท่านเห็นอย่างไรอา้าวกลุ่มนี้เป็นสัจสตาธิฏฐิให้สืบออกไปกลุ่มนี้เป็นเอกจากสัจสตาทิฏฐิให้ออกสึกออกไปกลุ่มนี้เป็นอันตานันตทิฏฐิเป็นต้นเห็นว่าทิเโลกมีที่สุดก็ให้สืบ ก, กลุ่มนี้เป็นอธิอธิจสรุปันทิฏฐิก็ให้สึกให้สึบกายลเพิษออกไป กลุ่มนี้เป็นอมราวิเคปปาทิถิเป็นต้นอะไรนี้มไหมอมราวิเคปาทิถีเป็นต้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเกี่ยนเรื่องของเห็นว่าสัญญามีที่ซึ่งสุดมีมีสัญญาแล้วไม่มีสัญญาเป็นต้นเหล่านี้ในไปชําระศาสามิฉาทิถีหกสิบสองออกจากพระศาสนานั้นแปลว่าอะไรต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้มันจะเกิดแล้วต้องระดมความเพียรเพื่อ เข้าถึงถามที่ยังไม่เข้าถึงโสดาปีมารเข้าถึงยังเนี่ยโซดาปีผลละทะบรรลุยังนิพพานของพระโสดาบันทําให้แจ้งหรือยังถามบ่อยๆนี่แหละถามตนเองบ่อยๆมันจะได้ระดมการระดมในลักษณะอย่างเงี้ยถามบอกว่านี่แหละคือวิธีการปกป้องพระศาสนาที่ถูกต้องอย่างนี้สิเขาเรียกปกป้องเข้าใจยังอย่างอื่นไม่ใช่ ศาสนามันต้องไม่ให้อยู่ในกระแสขันธ์ธาตุอายตนะนี้เข้าใจะยังศาสนาเป็นชื่อของอะไรศรีลสมาธิปัญญาใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาต้องเกิดในกระแสขันธ์ธาตุอายตนะศีลสมาธิปัญญาโลกิยาพัฒนาเป็นโลกุตระนั่นแหละก็ เ, เรียกศาสนาเป็นโลกุตระสา ร, รณาคมเตว่าศาสนามันคงอย่างเดี๋ยนี้มันคงอย่าง ตอนนี้มั่นคงไหมในกระแสใจของศาสตร์เนี่ไม่มั่นคงฉะนันรักษ า, าศาสนาในใจของท่านทั้งหลายไว้เขาใช่ยังเนี่ยคือรักษ า, าศาสนาถ้าถ้าไม่รักษาตรงนี้ยเดี๋ยวหนอนมันจะเข้ามาทําลายาศาสนาไอตัวมิจฉาทิถีนี่แหละมันจะกินเนื้อลาดเสือสีซะเองอัฐะพระธรรมต้องชัดแล้วค่อยขยายออกมาข้างนอกเข้าใจไหม ต้องรีบเร่งระดมนี่แหละคือการรักษาศาสนาให้อยู่ในใจท่านทั้งหลายให้ได้ตอนนี้มันไม่แน่นอนเลยในขณะที่อัตตทิฐิสักยะทิฐิเข้าสู่จิตใจปุ๊บศาสนาถูกทํำลายยังถูกทําลายแล้วมิจฉาทิฏฐิมาทําลายเสี้ยนตอหลักตอของพระศาสนาเกลื่อนในกระแสขันของท่านแล้วในประเทศของท่านน่ะท่านจะไปรักษาศาสนาใคร <c oughs> จะไปรักษานาที่ไหนเพราะศาสนาตัวเองเอาโซ่ไม่รอด เข้าใจชัดไหมยอมบว่าใช่ไหมก็ตนเองยอมเอาศาสนาไม่รอดแล้วจะไปปกป้องอะไรถามหน่อยจะปกป้องยังไงเนี่ยเพราะไอ้ตัวทําลายศาสนามันคือมิจฉาทิฐิมันไม่ไม่จบุคคลมันเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในกระแสขันธ์าตุอายตนะมันเป็นตัวทําลายศีลสมาธิปัญญาที่ที่อยู่ในกระแสขันธ์ธาตุอายตนะของเราท่านทั้งหลาย เขา้าใจยังนี่แหละพระเจ้ากับตัวนี้แหละเขาะ้าใจยังตัวนี้แหละฉะนั้นอย่าไปเอาตัวบุคคลมาพูดมันเยอะเอาสภาวธรรมมาพูดเถอะใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวทําลายาศาสนาของสภาวะพุทธะของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องเข้าถึงแก่นเข้าถึงสาระเข้าถึงอัตถะของพระาศาสนาให้ชัด ถ้าอย่างนั้นเราจะรักษาศาสนากันอย่างไรถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวศาสนาเสื่อมเพราะตอนนี้พระอริยบุคคลเนี่ยอยู่ทุกชั้นจาตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสีนิมานรดีปรานีมิสสวัสดีเข้าใจยังเต็มไปหมดศาสนาศาสนาไม่มีอยู่ในอสัญญาสตภูมิ ศาสนาไม่มีอยู่ในอบายภูมินอกนั้นมีอยู่สิกขาสามกำลังเดินอยู่ในกระแสขันาธาตุอายตนะของสัตว์ที่เป็นสัมมาทิฐิแล้วเราอย่า ก, กลัวศาสนาเสื่อมแต่ต้องกลัวกระแสขันาธาตุอายตนะของท่านทั้งหลายจะเสื่อมจากศาสนามันจะตกจากศาสนากันอยู่แล้วเข้าใจยัง อาจารย์มาพูดแรงไปหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์มาเยอะอาจามาพูดจังเลยแต่อาจมาพูดจริงๆนะต้องการให้เรารู้ว่าจริงๆาศาสนาคืออะไรใช่ไหมอาจารย์ม า, าศาสนาไม่ใช่ตำราอันนี้เป็นอุปกรณ์จะทําให้เราเข้าถึงาศาสนาใช่ไหมแล้วอาจารม า, ม า, าศาสนาไม่ใช่อามารนะ อาดามาก็เป็นเพียงเศษเนะน้องนิดๆเป็นขี้ผงชิ้นนิดชิ้นหนึ่งถ้าจะเป็นพูดถึงอะไรลนี่นะ <Şu S 1> เป็นอะไรชิ้นเดียวที่เป็นเป็นเป็นตัวที่จะทําให้มันหมุนได้นิดๆหน่อยแค่นั้นเองเป็นฟันเฟืองนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองทุกคนมีส่วนใช <ibe> ่ไหมที่จะทําให้าศาสนาของพระเจ้าเจริญรุ่งเรืองหรืเรรเอ <both. S 2> เสื่อมฉะนั้นเวลาจะดูาศาสนาเสื่อมหรือจเจริญดูที่ไหน ดูที่ดูที่ขันของเราใช่ไหมออดูก่อนว่ามีไหมถ้ามันมีแปลว่ามันเสื่อมแล้วแล้วเราจะแล้วยอ ม, มว่าจะไปปกป้องที่ใครอ่าไม่ให้มันมีอยู่ว่าตัวศาสนาคือศีลสมาธิปัญญามันไม่ใช่รูปแบบเราเดินผิดอัมายืนยนันเนี่ยเราเดินผิดใช่ไหมเราผิดพลาดเลอศูนย์วิทัศ <laughs> เราต้องตั้งศูนย์วิทักในใจเนี่ยศูนย์วิทักพุทธศาสนาต้องตั้งไว้ในใจเนี่ยเขียนทุกวันอ่านให้ออกเข้าใจเพราะมิจฉาทิฏฐิทําลายศาสนาในยุค ข, ของพระเจ้าสุกเก็งคือหกสิบสองเลยแล้วก็สักยะทิฏฐิเนี่ยเป็นประธานในการทําลายต้องชําระชําระชําระออกจากศาสนาเห็นไหมนั่นแหละ ทีนี้พวกเราไปมองเราไปมองตัวทำลายศาสนาออกนอกตัวในขณะที่เราไปตะโกนเปล่าเ ป, ปล่าเนี่ยศาสนาโดนทำลายไปตังนานแล้วถามว่าสักยญาติทีทำลายศาสนาไหมสักยญาติทีใช่พระเจ้าไหมนี่แหละตัวพระเจ้าอะ ใช่ไหมเนี่ยตัวบรรดามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยตัวนี้แหละถามว่าถ้าเขาไม่มีความเหม็นอย่างนี้ก็จะประกาศตัวเป็นเจ้าละทีไหมใช่ไหมใช้ที่ประกาศเขาเป็นเจ้าละทีทั้งหลายใช่ใช่มิจฉาทิฏฐิเป็นประกาศด้วยสมาธิที่ประกาศนั่นแหละตัวมิจฉาอัฏ ฐ, ฐต้องให้ถึงตัวนั้นตัวอัฏฐะจริงๆก็คือตัวมิจฉาทิฏฐินี่แหละนะต้องทําลายต้องทําลายสักยทาทิฏฐิอัตตาทิฏฐินี้นะนั้นละทีนี่มันอยู่ในใจเรา ฉะนั้นตอนเนี้ยเขาประกาศลัทธิในใจเราแล้วยังไม่รู้ตัวอย่างไรใช่ไหมประกาศสกิรยติถิในใจเราแล้วในกระแสขันดาระยะธนาของเราจะเต็มไปด้วยลัทธิของครูทั้งหกมันมีประธานของครูทั้งหกอยู่ในนี้ใช่ไหมว่าอย่างไรผู้ที่จะต้องไปเห็นหน้ามองศาสดาล่องไปต้องเจอหน้ากันต้องพูดอย่างนั้นใช่ไหมเราเราในส่วนจริงเราสามารถสงสัยผู้พูดได้เจ้าได้ สงสัยร่วมประกายของมุรเจาดได้นั้นแปลว่าอะไรนั้นแปลว่าบรรดาลเจ้าลัทธิทั้งหกเขามาประกาศศาสนาในประเทศของเราแล้วเรายังอ่านตำพีเฉยอยู่เลยเอฟมีกล่าวไว้เรื่องไหนบ้างในวิชาที่เถี่ยพอมาชาล่าสุดใช่ไหมเมื่อกี้จำไม่ได้ก็ว่ากันจะมเอาเลยไปหาอ่านใหญ่โอ้โหนี่อย่างไรเจอแล้วอยู่เล่มนี้เอง มิจฉาทิฏฐิอ่านมิมจฉาทิฏฐิเขาบอกให้อยู่ห่างไกลอย่ามิจฉาทิฏฐิอย่าไปคบมิจฉาทิฏฐิอย่าไปเข้าใกล้มิจฉาทิฏฐิอย่าไปเสียวนาวมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมอย่าไปพูดคุยด้วยกับมิจฉาทิฏฐิให้เดินไกลๆมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเขาอยากยังแต่ที่ไหนได้ เราแอบไปคบกับเขาเรื่อยเวลาจะเรียนยังขออนุญาตเขาอยู่นี่โอ้โหขออนุญาตไปฟังทำหนึงแต่นี้การทำลายมิจฉาทิฏฐิทำลายยังไงอย่างที่ได้กล่าวแล้วทำลายยังไงอ่าทำลายยัง ไ, บไงบอกใช่ไหม เพราะว่าปฏิปักษ์ของมิจฉาทิฏฐิคือสมาธิิปฏิปักษ์สมาสังกปาคือเห็นไหมก็ไล่ไปตามลําดับไปถึงมิปฏิปักษ์มิจฉาสมาธิก็คือสมาสมาธิทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าทำที่เป็นบริขารของสมาธิที่เป็นองค์ประกอบของสมาธิสมาสังกปาสมาวาจาสมากรรมตาสมาชีวสมาวยมารสมาสติไม่สมาสมาธิเขาจะมีเหตุของเขาหมดเลย เขตของสมาธิทิทั้งหมดแหละคือการระดมมาช่วยกันเพื่อจะทําให้สมาธิิเหล่านี้เกิดไปจนถึงสมาสมาที่เกิดในการที่จะขจัดทํามที่เป็นปฏิปัติงานนี้เป็นงานใหญ่นะงานระดมที่จะละมิจาที่ตีเนี่ยไม่ใช่งานเล็กๆหนึง่งใช่ไหมมันเป็นเรื่องของชีวิตเลยแปลว่ารอดหรือไม่รอดเลยถ้าเข้าถึงบรมธรรมนะ่ะรอดถ้าไม่สามารถเข้าถึงบรมธรรมได้น่ะเจ๊ง เจงคือไม่รอดมันเป็นเรื่องอย่างนั้นเลยเป็นเรื่องของชีวิตว่าเราจะคัดหางเสือเนี่ยนะเราจะคัดสั่นชีวิตวิธีคิดของเราไปทางไหนใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องถ้าพูดจริงๆก็คือเป็นนโยบายหลักอะ่ะแล้วต้องเป็นเป็นเรื่องแผนเบื้องต้นเลยที่จะต้องคิดกันตั้งแต่วิทยาทีนี้เลยถึงใช่ไหมถ้าคิดวันนี้ผิดเนี่ยผิดแล้ววันแรก เรื่อผ่านมานะผิดโดยทั่วไปและโลกิยชนไม่รู้ว่าเรามีความแก่ทุกๆขณะมีความตายทุกๆขณะนะมาตั้งแต่ขณะปฏิสนธิขณะเป็นต้นนะสัตว์ทั้งหลายที่มีอายุตลอดวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่ ง, เ, ง, ปงเป็นถึงร้อยปีสิบปีพันปีเนะี่ยก็สําคัญผิดไปยึดเอารูปเวนทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเพียงแค่เขามีอายุแค่กับกับคิปตาแล้วก็ชั่วฟ้าแลบดังที่ได้กล่าวช่วงูแหลบลิ้นแค่นั้นนะ ที่มันเกิดดับมากกว่าแสนกฎขนาดน่ยว่าเป็นอัตตาว่าเป็นสาระเป็นสาระของความงามของความเที่ยงของความสุขของความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะรูปังอัตตาเอตัสสาธิรูปัตตารูปขันรูปขันเป็นตัวเป็นตนเป็นสาระมีอยู่แก่สัตว์นั้นเหตุนั้นสัตว์นั้นจึงชื่อว่ารูปรูปัตานีสัตว์ผู้มีอัตตาเป็นสาระ ถามบอกว่าอเวทนาไปใส่ที่เวทนาอัตตาเอตัสาติเวทนาอัตตาเวทนาขันเป็นตัวเป็นอัตตาเป็นสาระมีอยู่แก่สัต์นั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีเวทนาขันเป็นอัตตาเป็นสาระถ้าสัญญาก็คือสัญญานะอัตานะใช่ไหมสัญญาอัตตาเนี่ยบอกว่าสัตว์ทั้งหลายไปสําคัญเอาเวทนาไอสัญญาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นสาระนะมีอยู่แก่สัต์นั้นเพราะเหตุนั้นสัตว์นั้นก็ ผู้มีสัญญาเป็นอัตตาเป็นสาระเนี่ยเราก็ไปยึดมั่นในเวทนาในสัญญาในสังขารแม้ในวิญญาณก็ไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสาระมีอยู่แก่สัตว์มีเกี่ยวกับคลนั้นเก็เลยเป็นอัตตาสาระเลยเห็นรูปเป็นอัตตาเห็นรูปเป็นอัตตาเห็นเวทนาเป็นอัตตาเป็นสาระเห็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาเป็นสาระใช่ไหมเห็นเป็นอย่างนั้นใช่ไหม พิจารณาอย่างนี้ท่านบอสสัตว์ทั้งหลายมีรูปประคันเป็นอัตตามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาเป็นสาระก็เป็นไปในลักษณะอย่างเนี้โดยความเป็นจริงแล้วไม่สมควรที่จะยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดดับทุกๆุกขณะว่าเป็นอัตตาเป็นสาระได้เลยเหมือนกับการยึดสายฟ้าแลบใช่ไหมรักเดียวเท่านั้นมันก็หมดไปแล้วใช่ไหมเรายึดอะไรเรายึดสายฟ้าแลบประจําตรงนี้ได้นะเนี่ย ว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นสาระเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยาณเป็นอนตาโดยที่แท้จริงแล้วเพราะอาจจะว่าอสาระกับอสาระวัดเถนะเป็นอนัตตาเพราะชื่อว่าหาสาระไม่ได้อสารกัดเถนะนะนี่หาสาระไม่ได้เพราะมันมีชั่วขณะเดียวชั่วฟ้าแลบมาชั่วงูแลบลิ้นชั่วคนกับพิษตาแสนโกรธมากกว่าแสนโกรธครั้ง เรายึดในสิ่งที่มันไม่มีสาระว่ามีสาระซะแล้วแล้วถามว่าใช่สาระไหมใช่ที่พึ่งไหมงั้นเราก็หมดที่พึ่งสิเห็นัหมก็เราเคยคิดอยากจะพึ่งคนเนี้ยอยากจะพึ่งพ่ออยากจะพึ่งแม่ออจริงจริงแล้วพึ่งได้สักนิดไหมไม่ได้เลยเลยอ้า อาคำว่าที่พึ่งในที่นั้นคืออะไรพึ่งยังไงอาตอระดาดาพึ่งได้ฮะอาพ่อแม่พึ่งได้จริงไหมอาพึ่งได้จริงไหมอาจริงๆได้ไม่ได้อะได้สักนิดไหมไม่ได้สักนิดเลย เอางี้มอเป็นแบบนี้ก็ได้ถ้ามองว่าเป็นเรามันก็ได้ถ้าว่ามีเราก็ได้ไม่ใช่ว่าพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นที่พึ่งได้บ้างไหมถามดิได้บ้างไหมสักนิดเนี่ยไม่ได้เลยเลยถามว่าพ่อและแม่เนี่ยเป็นพระพุทธหรือเปล่า เป็นสภาวะพุทธาหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นสังคาหรือเปล่าเป็นเครื่องกําจัดชาติภัยชาลาภัยมาณนาภัยหรือเ่าโอ้หไม่ใช่ดีเบึร์เลยนะะไม่ใช่ไม่ใช่สภาวะกําจัดภัยใช่ไหมกําจัดความกลัวกําจัดภัยก็ไม่ได้ใช่ไหมคือคือโดยโดยศัพท์คําว่าสารณะนเนี่ยเพราะอัฏฐว่า เป็นเครื่องกาจัดภัยนี่ใช่ไหมกาจัดชาติภัยภัยเพราะการเกิดชาราภัยแก่ใช่ไหมมรณะภัยเป็นต้นแล้วก็ภัยในอบายอ่ะน่าละกาจัดตรงนั้นถ้าที่พึ่งต้องพึ่งอย่างนั้นได้ไแต่ว่าเป็นกลาลยานามิตรเป็นปาปมิตรก็วาไปตามฐานะได้ใช่ไหม พ่อแม่เป็นกัญญาณมิตรเป็นผู้มีอุปการลคุณก็ว่าไปใช่ไหมเป็นมิตรที่จะทําให้เราจะให้เรานั้นเข้าถึงสารณะได้แต่ไม่ใช่เป็นตัวสารณะนั้นคำว่าที่พึ่งในที่นั้นต้องกําจัดไผ่แค่ไม่ใช่พึ่งอย่างที่เราเข้าใจกันใช่ไหมพระเดจจ้าตรัสว่าไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งใช่ไหมมีตนเป็นเกาะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจึงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นกเนกาะไหม อ่ามีตนเป็นที่พึ่งถ้ามียังไงตอธิบายหน่อยที่เอาใครเดือรเนี่ยเอาใครที่ชอบนั่งหลับๆช่วยอธิบายหน่อยที่อ้าวมีตนเป็นที่พึ่งอธิบายหน่อยอ้าวเอาไงดีมีตนเป็นที่พึ่งอ้าวเอาไงดีช่วยอธิบายหน่อยที่คาว่ามีต้นเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะเนี่ยเนี ฮะเป็นกุศลเลยพึ่งยังไงอ่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีตอนเป็นดเพึ่งหมายถึงกุศลเอาพึ่งยังไงเอาเป็น้เพิ่งยังไง แม่นี้เป็นเขาพูดกันบ่อยที่สุดนะตาหยีแ ต, ต่นอนนะตันี่ไม่พูดกันบ่อยที่สุดนะเนี่ยนะเขียนเขียนกันเต็มไปหมดเนี่ยมีตอนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งยังมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีตามเป็นเกาะมีตามเป็นที่พึ่งยังมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งตรงนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพิจารณาหเห็นกายในกายนะใช่ไหมน่นแหละสติปัฏฐานในโลกุตละนั่นแหละ กัจฉายกุศลนุ่งต้นแต่จะต้องเป็นนุ้นด้วยนะเป็นสมาอสเป็นเป็นเป็นการประพฤติธรรมตามสังกัณยโรอุตตระธรรมด้นะไม่ใช่กุศลธรรมดานะ้อถ้างั้นจะเป็นมีทีพึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยได้ไหมล่ะใช่ไหมว่าโดยหลักการจริงๆนุ่นใช่ไหมเพราะว่าเป็นที่พึ่งในที่นั้นต้องทํามังสะรนังกัฉามียต้องกุศลระดับนั้นน่ะ เจงารอกุตระกุศน์เนี่ยจึงจะเป็นธรมมังสนันังกชามีชัดชัดด้วยนะี้แล้วก็กุศลเบื้องต้นได้ไหมได้แต่ต้องเป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อธรรมานุธ ร, รมมาปฏิปฏินะต้องเป็นไปเพื่อการแทงตลอดอริยสัตว์นะไม่ใช่เป็นกุศลอยู่ในวัตตะถ้าเป็นกุศลที่เป็นไปกันในวัตตนี่ท่านยังไม่ให้นะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ก็คือบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาโดยแท้จริงนะเขาเรียกว่าเป็น อาสาระอัดเถนะเป็นอนัตตาเพราะหาสาระไม่ได้อีกศับหนึ่งอาสามิกัดเถนะไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นเจ้าของไม่เป็นสามีอะเดี๋ยวมะอนัตตาเพราะไม่ใช่สามีเ <c oughs> ห็นไหมแปลกนิยุ่งเลยเนะ <c oughs> อยคำว่สามีแปลว่าเจ้าของนะอสามิกัดเถนะไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นเจ้าของ ฉะนั้นการอธิบายบอกว่าอนัตตาเนี่ยนะเพราะอาจจะว่าไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นเจ้าของเนี่ยนะเป็นเจ้าของอ่ะบุคคลไม่สมควรจะยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีความดับรวดเร็วกว่าสายฟ้าแลบที่เกิดช่วงเวลาเพียงแป๊บเดียวว่าเป็นเราเป็นของของเราใช่ไหมเป็นเจ้าของสายฟ้าเราจะบอกว่าโอ้โหเนี่ยฟ้าที่แลบแป๊บๆเนี่ยเราเป็นเจ้าของได้ไหมมันหมดไปไวขนาดนั้น่ะ ถ้าเห็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมเราจะไม่ยึดเลยว่าเป็นของเราแต่เพราะอัตตาเนี่ยการที่การเห็นว่าเราเห็นเพราะเรามองไม่เห็นความขาดตอนไหมไม่เห็นความสืบต่อกันของของทัศนสันตติสาวนาสันตติสายนาสันตติกายนาสันตติพุทนาสันตติและจินนาสันตติการสืบต่อกันตลอดสายของทางทวารตาหัวจมูจกลินกายใจเราก็เลยไปยึดว่าเราเป็นเจ้าของใช่ไหม คือเราคอนโทรลได้เราบังคับได้ใช่ไหมคือเราเป็นเจ้าของเราจะต้องบงการสิ่งนี้ได้ก็คือบงการในกรณีที่มันเกิดดับสืบต่อมาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจแท้ที่จริงเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยใช่ไหมโดยสมมุติได้โดยบัญญัตินะได้แต่อย่าหลงประเด็นอย่าหลงบัญญัติและอย่าหลงสภาวะปรามาสอันนั้น ต้องใช้ปัญญาในการ न, ที่ไปวิจัยความเพียรในการที่เข้าถึงความเห็นที่ถูกต้องสติตามลึกเพื่อจะเข้าถึงความเห็นที่ถูกต้องให้ได้ว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีเราไม่มีเจ้าของอะไรเลยใช่ไหมเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยจริงๆเป็นไปตามว่าใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดดับเร็วแบบ น, นั้นน่ะใช่ไหมแล้วมันจะเกิดดับเพาราะเหตุปัจจัยอย่างเงีย้ยมันเราจะเป็นเจ้าของอะไรใช่ไหมเราเป็นเจ้าของตาหูอยู่ลิ้นกายใจใช่ไหม เห็นไหมแต่ทําไมเรายึดล่ะโดยลึกๆจริงๆยังไม่ยอมลึกๆจริงๆเราก็ยังภูมิใจอยู่ใช่ไหมภูมิใจไหมจากนั้นตรงนี้ต้องบอกว่ามันเกิดดับรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาฉันเราเป็นเจ้าของกันห้าเพราะเหตุนั้นแหละขันห้าจึงชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นใหญ่เป็นเจ้าของประการต่อมาก็คือว่าอวะ สวัตดินาถีนะไม่เป็นไปตามความปรารถนาไม่เป็นไปตามความปรารถนาไม่เป็นความไม่เป็นไปตามความต้องการบอกความรวดเร็วที่เกิดดับเร็วอย่างยิ่งกว่าสายฟ้าช่วงเวลาแป๊บเดียวเนี่ยไม่สามารถเป็นไปตามความต้องการของบุคคลได้จึงไม่สมควรที่จะยึดถือสายฟ้าบอกว่าเป็นไปตามความต้องการของตนชั้นใดบุคคลก็ไม่ควรยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอะไรดี ว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นต้นเหล่าเนี้นะเพราะเขาเป็นไปตามสภาวะทีนี้เมื่อมีกลุ่มเหตุที่จะทําให้เกิดสายฟ้าแลบสายฟ้าก็จึงปรากฏขึ้นมาได้มันไม่ได้เกิดขึ้นไปตามความต้องการนี้เองจึงได้จึงไม่ควรจะถือบอกว่าสายฟ้าแลบไปตามความปรารถนาเป็นไปตามความต้องการฉะนั้นโรคประคันนะมีอยากมาจากเหตุปัจจัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาจากเหตุปัจจัย สัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยใช่ไหมฉะนั้นกรณีที่สายฟ้าแลบแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเราจะไปเป็นเจ้าของสายฟ้าแลบไม่ได้ใช่ไหมสายฟ้าที่มันแลบแป๊บแปตลอดเวลาเนี่ยมีเหตุปัจจัยนีมันถึงแลบแป๊บแปบตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมใช่เราจะไปเราจะไปบอกว่าเราเป็นเจ้าของได้ไงก็สิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาคำนึงว่มีเหตุเป็นปัจจัยมันถึงเกิดมันดับก็เพราะหมดเหตุหมดปัจจัยมันถึงดับใช่ไม่ใช่ โรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้งโรคโรคประสันฐานหรือรนามสันติเนี่นะคือที่มันเป็นไปเกิดดับเป็นไปตลอดแนวตลอดสายเป็นไปตามลําดับเนี่ยแปลว่ามันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ใช่ไหมเมื่อมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้เพียงแต่เราจะเข้าไปรู้ตามความจริงมันอย่างไรแล้วจะลากคลายถ่ายถอนความเป็นอัตตาความเป็นสัตว์บุคคลออกอย่างไรไอ้ตรงนี้กิจตรงนี้ควรทา แต่กิดบังคับกิดคอนโทรนเนี่ยไม่มันทําไม่ได้ใช่ไหมเช่นอย่าเกิดดับเลยไม่ได้ใช่ไหมยอย่าเกิดดับเลยเนี่ยอย่าประสบเลยสิ่งนี้ไม่ได้เลยเห็นไหมแต่แต่แต่จะเข้าใจสิ่งนั้นอย่างไรให้ให้เป็นไปตามความเป็นจริงต่อสิ่งนั้นอย่างนี้แค่นั้นพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีทัศน์ในการขัดแย้งโลกแต่โลกต่างหากที่มีทัศน์นาขัดแย้งพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ย ใช่ไหมั้นต่อไปเราก็เริ่มเข้าใจแล้วหนึ่งเรารู้แล้วใช่ไหมว่าตัวทำลายศีลสมาธิปัญญาคือสักกายทิฐิและพัฒนาตัวมาเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิใหญ่โตทั้งหลายนี่ใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาก็คือศาสนาสรุปแล้วในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยเราตกจากศาสนาเกลี้ยงเลยถ้าถามบอกว่าเราจะปกป้องศาสนาเราก็คือทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิด แล้วเราเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่ถ้าถามว่ามิจฉาทิฏฐิที่เกิดในกระแสขันของท่านบุใดไอตัวมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นก็อุปมาเหมือนกันหนอนที่ทําลายเนื้อราชสีชีวิตของราชสีใช่ไหมไอตัวมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่เกิดในกระแสขันของท่านบุใดเป็นตัวทําลายศีลสมาธิปัญญาของท่านบุญนั้นและเมื่อทําลายศีลสมาธิปัญญาของท่านบุญนั้นชื่อว่าทําลายศาสนาให้ตกไปจากกระแสขันธาตุอริยเตนาของท่านบุญนั้นก็เล ใช่ไหมยมว่าจะปกป้องาศาสนาจะปกป้องตรงไหนดีประเทศไหนที่ควรดูแลก่อนใช่ไหมควรดูแลกายาวาหนาคืบนี่แหละรูกประทามและนาำ ม, รรมาทำเพราะศาสนาที่เป็นนา้ำไห ม, ไมเกิดที่กระแสขันธาตุยเนนะใช่ไหมอนะตอนนี้เสื่อมไหมาศาสนานี่มีโอกาสเสื่อมสูงมากแล้ะเสื่อมตลอดเวลาด้วยในขณะที่กิเลสเกิดใช่ไหม อะไรนะถามว่าเคยกรไหมล่ถามว่าเคยโกรธไหมล่ ะ, ะแล้วเห็นถูกทุกขณะไหมแล้วศีลสมาธิปัญญาเดินได้ตลอดไหมนี่ศาสนาไม่มั่นคงใช่ไหมไม่มั่นคงหรอกไม่มั่นคงใช่ไหม เอางี้ถ้าบอกว่าในอดีตยอมเป็นคนเคยทําลายศาสนามาแล้วได้มาพูด ง, งี้ด้าน ใ, ในอนาคตจะไปทําลายอีกถ้าถอนมิจฉาทิถิไม่ได้ไบางคราวแล้วก็หันบางค่าวเรานี่แหละเป็นผู้ไปชี้หน้าพราะบรมศาสดาดาอา้าพระพูดอย่างนี้ว่าหนักไปไหมนั้นต้องต้องสังวรระวังที่ความคิดของเราให้มาก ก็เรายังรักษาศีลสมาธิปัญญาไม่ได้แล้วเราจะรักษ า, าศาสนาอย่างไรด<ม>ิ่ง น, นี่แหละการการเผยแผ่าศาสนานั้นหันมามองที่เราก่อน<ม>ก่อนที่เราจะไปเผยแผ่ให้คนอื่นเขาจะนี่เผยแผ่ให้ใหาศาสนามั่นคงในใจเราแล้วเราก็นะต่อไปาศาสนาก็จะออกไปเองท<ม>ี่เราเป็นผู้ทำลายาศาสนาแต่เราจะไปปกป้องาศาสนามันขัดแย้งกัน ขัดแยง้แยงเขาใจยงังนี่ตัวมิจฉาทิฏฐิไปดูทุอย่างจะได้จะได้ไดใช่ตัวที่ทําลายาศาสนาไม่ใช่บุคคลไม่ใช่องค์กรใช่ไหมไม่ใช่สัตว์บุคคลแต่เป็นตัวมิจฉาทิฏฐิฉันฝังแน่นในกระแสะขัดของท่านบูไดท่านบนนั้นก็ทําลายาศาสนาของพระ อ, อริยเจ้าท่านใช่ไหมเพราะาศาสนาของพระอริยเจ้าคืออริยามรรคมีองค์แปด นี่เรายังประชุมอริยมรรคโยงแปดไม่ได้แล้วรักษ า, าศาสนาได้ไม่ถาวรหรอกนี่ก็ต้องใเข้าใจอย่างนี้ไม่ต้องห่วงว่าศาสนาจะเสื่อมไอ้มาถึงบอกกระเพราอายะมีอยู่ทุกชั้นมีอยู่ทุกชั้นไม่มีในใบยภูมสี่ไม่มีในสัญญาัตภูมเท่านั้นแหละนังนั้นนี้หมดแล้วเข้าใจนะงั้นท่านรักษ า, าศาสนาในใจท่านเต็มแล้วท่านก็ทํากิจ เผยแผ่ศาสนาเราก็เหมือนกันกต้องทำทำท ำ, ทำกิจในการเผยแผ่ศาสนาด้วยใช่ไหมแต่ในขนาดเดียวกันก็คือถ้าศาสนาจะแผ่ขยายออกต้องแผ่จากใจิตใจของเราเนี้ออกไปให้ชัดแล้วถึงจะแผ่ออไปข้างนอกได้อันนี้เราเองยังยังไม่ชัดเจนเลยอะในเรื่องของศาสนาใช่ไหมก็มันก็จะออกไปได้ยังไงนี่ตั้งศูนย์วิทักษ์พระพุทธศาสนาในใ จ, ใ, น ใ, จ <c oughs> ใช่ไหมขยะนี่ศ <c oughs> <ๆ>ูนย์วยิทักษ์ สิลสมาธิปัญญาในใจใช่ไหมไม่ทพิทักษ์นี้คือรักษาศีลสมาธิปัญญาไม่ให้เสื่อมสลายไปจากใจของค่ะพระเจ้าตรง น, นี้มีาศาสนาจะเลยใช่ไหมเพราะเป็นตัวทําลายกิเลสาศาสนาเป็นตัวทําลายกิอันนี้ไม่พูดถึงบุคคลนะเพราะเราเรียนในเรื่องของทิฏฐิใช่ไหมเรื่องเรื่องอัตตาฉะนั้นเราขจัดความเป็นตัวเป็นตนตออกไปในความคิดให้ชัดเจนก่อนเพราะเราเข้าใจอัตตาตรงนี้ชัดเจนแล้วต่อไปเนี่ยการเข้าใจบัญญัติไม่ยาก ไม่ยากใช่ไหตรงเนี้อภรรการต่อไปก็คือเกี่ยวในเรื่องของคําว่าความเข้าใจต่างๆเหล่า น, นี้นี่ในเรื่องของอัตานาตาเนาะประการต่อมาก็มาจะคําว่าอัตตนิยะอะไรเนี่ยอัตตานิยะแปลว่าอะไรมาจะคําอัตตสีกทั้งอัตตานิยังสมบัตินี้ของตนเนาะอัตตนิยะอีกในหนึ่งคืออัตนาสัมพันธนันติเนี่ยนะอัตตานิยังเนี่ย กุมวัตถุที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเหตุนั้นน่ะจึงชื่อว่ากลุมวัตถุนั้นจชื่อว่าอัตน י ยะตามคําสอนต่างๆเราเนี้ยสาวิญญาณนักทระซับและอวิญญาณนักกรัพย์ที่เนื่องด้ตนชื่อว่าอัตน י ยะอะไรคือสาวิญญาณนักกระซับเนี่ยซับที่มีชีวิตทั้งหลายที่เราเรียกว่าซับทั้งหลายเนี่ยบุตรหลานของตนนี่เป็นอะไรสาวิญญาณนักกระซับเนาะสิ่งที่มีชีทมีชีวิตทั้งหลายที่บ้านเลี้ยงแมวกี่ตัว เดี๋ยวจะบอกให้ดูว่าอตตานิย่าเยอะไหมมีแมวเลี้ยงบ้างไหมไม่มีเลยนะมีแมวรู้นั่นเลยนึกว่มาฟังเมื่้าบอกว่ามียมคนนึ่งเขบอกเขาอยากจะมาฟังทำฟังแล้วก็นึกก็เลยต้องมาพูดเรื่องเนี้เขาบอกโหหาเวลาไปฟังเขาทำไม่ได้เลยท่านเดี๋ยวนี้ถามทําไม เลี้ยงหมาทั้งห้าตัวเป็นห่วงมันไม่ว่าไงเนี่ยนี่เขาเรียกสะอัตตนิยะเกี่ยวกับสาววิญญาณนะครับทรัพย์ที่มีวิญญาณบางคนไม่กล้ามาเราห่วงลูกน้องมีลูกน้องเยอะมีอัตตนิยะเยอะใช่ไหมมีสิ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณที่เราจะต้องดูแล้เยอะคือมีทรัพย์ที่มีวิญญาณที่มันเนื่องด้วยตนเนี่ยถ้ามันเป็นคนของเราอะ่ะ ใช่ไหมเอาเป็นของของเราเป็นคนของเราเราจะต้องดูแลเขามาปฏิบัติกันเราจะเป็นผู้ต้องดูแลต้องวิ่งคอยดูแล ต, ต่างๆเลยเราจะศึกษาพระธรรมไม่ได้เลยวราไงใช่ไหมเราจะต้องคอยดูแลค อ, คอยแจกอาหารคอยอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรย่ามีอัตถนิยยเยอะบริสัทสาวิ ญ, ญนนักศึกษาไปเยอะอีกกลุ่มหนึ่งคืออวิ ญ, ญานักศัพย์อัตถนิยะที่เกี่ยวกับอวิยญญานักศึกษาทราบที่ไม่มีวิญญาณทั้งหลายบางคนห่วงต้นไม้อย่ต้น รถเชา้ารถเย็นอยู่นั้นอนุญาใช่ไหมแล้วก็มีความสุขนะเอามาปินบินบบาตมีที่นึ่งบินบบาตก็ไปที่ไรเนี่ยจะเห็นก็เตืนแต่เชาา้ามาก็มีต้นไม้เล็กๆเอามาโอ้ยขอไปนั่นก็คาบบุหรี่ตัวไปแล้วรถทุกวันช้าบินบบาตผ่านก็ไม่สนใจกรักต้นไม้มากกว่ารักขบธวธเจ้าซะแล้ว ก็อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมอีกกลุ่มนึงก็เขาจะมีนกนกกรงไอ้นอกน ก, น ก, นกหัวจุกแ <Okay. S 1> ขวนก็ไปเป็นแถวเป็นกรงนนั่งมองตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเขาก็มามองมองเขาหมือม่อเลยเรแล้วก็คิดมาก็แบบอบถามกันก็คลายเครียดได้ดีท่านาก็คลายเครียดก็คือเขาออกจากโทรศัพท์เพราะชีวิตของเขาเครียดมาทั้งวันใช่ไหมเพื่อไปอยู่กับโลภะเขาชื่นใจ <laughs> ก็อยู่แค่นั้นแหละมโนเราเนี่คือพยายามจะออกจากตทวซาบีก็คือเอาเขาเขาแก้ทุกข์กันอย่างนี้น ะ, ะเขาทำไม <laughs> คือคือที่จริงนะประทานบาปฏิฏฐิบาปธ ร, รรมก็คือมิจฉาทิฏฐิใ ช, ใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิก็บอกว่าตอนนี้คุณตอนนี้คุณเครียดมากแล้ว <laughs> <laughs> คุณต้องคลายเครียดจริงๆ <laughs> ออกจากมัน <laughs> ให้คุณไปอยู่กับโลภะที่นั่นแหละคือหนทางแห่งความดับทุกข์ ใช่ไมันก็บอกมันก็มันก็ปลุกระดมปุ๊บปุก็คลายเครียดบางคนก็ผ่อนคลายออกขึ้นรถปุ๊บก็เปิดเพลงฟังไปใช่ไหมใช่ไหมมีความสุขกระจายยังบางคนนี้ไปออกกําลังกายด้วยก็มีการเปิดเพลงด้วยว่าทำไม่เปิดเพลงออกได้ไหมผมมัผมไม่คยสนุกเพราะว่ามันก็มีการมีเสียงเพลงด้วยอะไรด้วยก็เห็นไหมเขาเรียกว่าออกจากโทสะแต่กับปิติ คกคือโลภะอยู่ก็อยู่อย่างเงี้ยเขาแก้ปัญหากันอย่างนี่แหละคือการามีอยู่ครั้งหนึ่งนะ เ, เขาหนี้มนต์อารมาก็ไปดู ง, งานพระาศาสนาต่างประเทศเอารามาอ๊้ไม่เคยออกต่างประเทศก็เลยหลายติดเลยประมาณยี่สิกว่าปีแล้วอารามาเขาเขาไปที่ไหนเขาก็ทําดําเนินเรื่องที่จริงก็คือเ ข, า, ขาเอาอารามาไปแทนพระเถระอารมาก็อ โอ้ไปดูงานาศาสนาดีเหลือเกินก็นึกว่าไปไหนบอไปสิงคโปร์โอ้ยมาลำบากเลยไปดูแรงานไ ป, ไปดูงานาศาสนาเขาเรียกทัศนธรรมก็เขียนอย่างนี้นะทัศนธรรมไปดูอะไรดูอะไร ไ, ไปดูคนแก่ออกกำลังกายไปนะ ล, ลำํำ ที่รำมวยจีนนะรำมวยจีนแล้วเขาอธิบายให้เรามาฟังวันนี่ไงประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาบอกว่าเขาจะมีความสุขของเขาบัานปลายชีวิตว่าไงมีําแล้วก็เปิดเพลงจีนเรามาโอ้โหการศาสนาจะเลยลุ่มเล้วโอ้โหลาบากใจมากแล้วก็ต้องไปไปตั้งสามสี่วันโอ้โหลำบากอวดอัดใจเห็นไหมว่ามันมันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหม แล้วก we ็ไปมองมานั time, ่งค <huh> ิดนี like ่เข้าไปดูงานศาสนาเงอบประมาณทางรัฐเลยในภาครัฐในยุคนั้นี่มนพาไปร้อยกว่าลูกมาไปดูงานศาสนาเขามีกันอย่างเงี้ยเวลา เวลาเขาใช้งบประมาณไม่ทันก็จะทำอย่างนี้นี่ทําให้เศรษฐกิจดีก็ทํำมาอย่า ง, งนี้เนี่ยนี่คือการพัฒนาประเทศเก็งงเเจะมีลักษณะหงงนึ่งว่าเออในช่วงปลายงบประมาณเงินก็เอาวิง่งวิ่งใช้งบปมาณนี่ต้องถามดรละดาโดยนะั่จ้อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็จําเป็นอย่างนี้ใช้หมดถ้าใช้ไม่หมดถือเป็นความผิดกรมกระทรวงนั่นด้วยอ เดยวปีต่อไปตังงบประมาณไม่ได้ลำบากโดนตัดงบประมาณถือว่าขาดประสิทธิภาพในการใช้ไม่หมด <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> ทีนี้ในกรณีอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ต้องการอยากจะให้ทราบว่าความเห็นว่าเป็นอัตตนิยะเกี่ยวกับในเรื่องของวิญญาณการทรั์และอวิญญาณการทครั์เนาะการยึดมั่นห่วงแหนของรักทรัพสมบัติต่างๆที่เนื่องด้วยตนด้วยอำนาจแห่งตันหา เป็นมูลนั่นแหละเขาเรียกว่าอัตตานิยะหรืออัตตทิฐิเนี่ยนะอัตตานิยะเนี่น ะ, ะนนะใช่ไหมถามว่ามีตัณหาเป็นมูลใช่ไห ม, มเกิดร่วมกับมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมแล้วก็มีทิฏฐิก็เกิดร่วมฉะนั้นเพียงไม่มีความรักข่ายินดีสามารถสลัทราบสมบัติต่างๆที่เนื่องโดยตนโดยไม่มีความตนหนีไม่หวงแหนทราบสมบัติต่างๆนั้นยังชื่อว่าเป็นอัตตนิยะอยู่เหมือนกันนะ แต่เมื่อเขาวางเฉยไม่อะไรต่อทรัพย์สมบัติต่างๆที่เนื่องด้วยอำนาจถึงตันหาเท่านั้นน่ะทรัพย์สมบัติต่างๆนะั้นจึงจะไม่ชื่อว่าเป็นอัตตนิยะแต่ถ้าหากว่ามีความรักเย็นดีนะคือมีความรักมีความเห็นโดยความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็สละเข้าองค์กรอะไรต่างๆเราเนี่ยนะนั่นก็ยังสละด้วยอำนาจของอัตตนิยะอยู่นันนะใช่ไหมเพราะสละไปแล้วเนี่ยมีชื่อแล้ปรากฏใช่ไหมเนี่ยอัตตนิยะ ทั้งๆ ท, ที่ไปกับสละนี่แหละเห็นไหมวัดนี้เรามาทําไว้ใช่ไหมที่ตรงนี้เรามาให้ไว้เรามาให้ไว้เรามาให้ไว้เาาวต็มไปหมดเลยใช่ไหมอย่าใส่ชื่อผิดนะกดธไหมอ่ะนะครับตัวว่าอครามีมาข่อมีที่เขาไปทําจารึกลงหินอ่อนมชื่อมันผิดโอ้โหเล่นกันแดือจ่ายนี่มันไปอยู่ตรงกลางด้วยใช่ไหมถ้าแก้คือต้องรื้อทั้งแผ่นใหญ่อะ่ะ มันผิดไปตัวนึ่โอ้โห oh. ต้องแก้จนได้ไม่ยอมหนึ่งไม่ยอมนี่ไงอัตตนิยมไหมมันเกิดขึ้นจากการสละไหมเ <Okay. S 1> พราะรักใช่ไหมรักในการที่จะบริจาคใช่ไหมทีนี้มันไม่ได้มีปัญญาที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง oh. อะไรหรอกใช่ไหมฉะนั้นการสละที่ยังมีอัตตนิยมอยู่มันจะเป็นแบบนี้นี่นี่เข้าใจไหม นี่เราต้องเจาะให้ถึงนะตรงนี้นะใช่ไหมต้องเจาะให้ถึงให้ให้ถึงความเข้าใจตรวนั้นว่าว่าตรงเนี้ยไม่ใช่รักง่ายๆ่ายไม่ใช่อจริงไหมโยมวัดสมมติาโยมวัดใบอยากรึถ้าไม่มีชื่อโยมว่าจะคิดไงฮะเลยไม่เป็นไรเลยเนาะ ถ้าไปเกิดไปเกิดไปทํากุฏิสักหลังหนึ่งมาเดินพักเข้ามาไฟไหม้แล้วเรื<ำ>่อ <c oughs> โอ้กย้มอย่างเงี้ยโมตนาเลยเนี่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้รื่อโอ้โหทักยิ้น่าเชื่อใจวิธีคิดจริงคอใคิดได้อย่างเงี้จริงเหรอเนี่รรยฮนะถ้าคิดได้อย่างเงี้ยไม่ธรรมดาเลยเนะี่ยนะถ้าคิดได้อย่างเงี้ไม่ธรรมดาเลย ใะตรงนี้ในลักษณะอย่างเนี้ยในข้อแรกคนะ่ะผู้ดชนบุคคลข้อที่สองหมายถึงพายญาบุคคลที่ละอัตติธิได้นะฉะนั้นอัตติยะที่ถูกทําลายด้วยเนยะเพราะฉะนั้นนะคําว่าอัตติยาถึงหมายถึงความที่ทราบสมบัติถูกครอบงําด้วยอํานาจของตันหาเป็นต้นนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายนะที่ยังยึดเหนียวแน่นอยู่กับไร่นาข่าทาสบริวารเงินทองลูกหญิงลูกชายเนี่ยนะนะเป็นอัตตนิยสัญญาบอกว่าของของเราเนะ่ ฉะนั้นการขวนขวายด้วยกายกรรมขวนขวายด้วยวิจีกรรมแล้วก็ขวนขวายด้วยมโนกรรมด้วยตัณหาและอัตตัตญยสัญญาคือการได้ทำพาพาลุ ส, สัพทกาก็คือการขวนขวายการสั่งสมอกุณธ ร, รรมต่างๆเพื่ออัตตัญญาอกุณธรรมก็เกิดขึ้นจากการสั่งสมนีนะนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการขวนขวายของคนพานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ภาลสุสุกักก็หมายความบอกว่าตามวิคหะนี้ก็แปลว่ากายกรรมเวจีกรรมมโนกรรมที่คนผานผู้ไม่รู้ไม่เห็นตามความไม่จริงทําขึ้นคนขวายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระนะทีนี้ทําพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าสัตว์ทั้งหลายก็ยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่อัตตนิยะเพราะอะไรหนึ่งสัญญาวิปราตสัญญาวิปราตเช่น สำคัญในผู้ที่ไม่ใช่ลูกสาวลูกชายว่าเป็นลูกสาวลูกชายของเราหรือสําคัญในเงินทองรัตนะต่างๆว่าเงินทองรัตนะต้นต้อ ง, ง, ง, งเป็นของเราถ้านอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกวางกวางที่โง่กวางโง่เนี่ยหิว อ, อะไรหิวน้ําก็หายน้ําพยายามวิ่งไล่ตามตามอะไร ด, ต ด, ดนะีตามพยับแดดนะตามพยับแดดด้วยสําคัญว่าเป็นน้ําฉะนั้น เขว่าตรงนี้นะเราท่านทั้งหลายก็ ว, วิ่งไปเถอะมันกวางอะ่ะมันกวางตัวนั้นเนี่ยโอ้มันหิวโซ่แล้วใช่ไหมไอ้พยับแดดก็อยู่ใกลๆดูมันเป็นแม่น้ําก็ ว, วิ่งตะเกียรตะกายกระเสือกระสนไปตะเกียรตะกายกระเสือกระสนไปในการที่จะนึกว่าจะได้กินน้ําไอคา้ความความสําคัญตรงนั้นแหละมันยังอาศัยหล่อเลี้ยงอยู่ทําให้ตัวเองมีความชื่นใจอยู่มันต้องได้กินหน้าว่างั้นนะเขาวิ่งตะเกียรตะกายแล้วก็ผิดหวังมาตลอดใช่ไหม เ้าตะเกียรตะกายมาเพราะเราจะเรียนให้จบ嘛ตะเกียรตะกายมาเรียนจบแล้วอาจะแต่งงานอยากจะแต่งงานเบีดเสร็จหา ง, งานทําหางานทํามีลูกหญิงมีลูกชายลูกหญิงลูกชายแต่งงานตะเกียรตะกายไปเนะี่ยก็เหมือนควางตัวนั้นแหละควางที่ไม่ฉลาดเอามาใช้คําว่าความโง่เนี่ยนะวิ่งวิ่งกระเสือกกระสนไปใช่ไหมไปทําอะไรดีไปทิ้นน้ํามันก็หายน้ําตอนนี้หายก็หายกันนี้ยังไม่รู้กวางตัวนั้นหายังหายก็หายยัง <Yeah. S 1> ไอ้อย่างเราทัา้งท้งหลายเราไม่ใช่กวางโง่เนาะเพราะเราเป็นบุคคลที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศารณานี่ใช่ไหมเราจะไม่ทำเหมือนกวางโง่ตัวนั้นใช่ไมที่ยววิ่งกระเสือกระสนใช่บอกโอ้ยถ้าอกว่า า, ากว่าอัตตนิยะนี่นะลูกหญิงลูกชายเป็นต้น หรือว่าสามีภรรยาหรือเพื่อนหญิงเพื่อนชายเป็นต้นมีการล้มหายตายจากเราจกไม่ร้องไห้นะร้องไหมอ่าร้องกปยันเลยเอ้าแล้วก็วิ่งร้องไันเลยเอ๊หรือร้องเป็นพิธีอ๋อมีอย่างนั้ น, น, น, นด้วยนลยไอ้ตรงนี้อะไรเป็น เ, เ อ, อียดทำให้เราร้องอัติณิยานะใช่ไหมมันเนื่องด้วยตนไง คนอื่นตายร้องไหมทำไมคนนั้นก็คนนั้นคนนั้นเคยเป็นพ่อเราเคยไปร้องบ้่งพอเป็นเหตุไกลแล้วเราไม่เราไม่ใส่ใจสนใจแต่เหตุใกล้ๆแล้วอย่าทําเป็นคนสายตาสั้นดิเยมะไหต้องสายตายาวๆหน่อยคนเนี้ยที่นั่งนั่งอยู่เนี้ยเกี่ยวข้องเป็นพ่อเป็นแม่เราถ้าจะตายก็ต้องช่วยร้องกันหน่อย อา้าเราถ้าเราจะร้ะองไง ก, นะ <c oughs> ก็เราไม่ไปยึดเนี่ย <c oughs> ก็เราไม่ถอนอัตตนิยะใช่ไหมเราต้องถอนอัตตนิยะด้วยปัญญาที่เป็นสมาธิเสียวิจัยก่อนหน้านั้นว่านี่อัตตนิยะเป็นสาวิญญาณน ะ, ะทราบทราบที่มีวิญญาณมันเนื่องโดยต้นเราไปสํสำคัญผิดแท้จริงไม่ใช่ของของเราเป็นรูปเปียนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหม เหมือนไปยืดอยู่เนี่ยลำบากเลยเนี่ยฮะก็นั่นที่ทำไงตวนนี้ฮะคือคือตรงนี้ต้องเข้าใจจริงๆนะใช่ไหมต้องวิจัยต้องไขควรต้องพิจารณาไม่ใช่คิดแป๊บเดียวก็มันอัตนิยาเนี่ย สิ่งที่เนื่องโดยตนเนี่ยมันเกิดไม่รู้กี่กี่ล้านกี่โกรครั้งแต่เรามาคิดละครั้งสองครั้งมันจะพอไหมละ่ะนั่งคิดมากๆกว่า น, นี้นะเราเป็นคนไม่ชอบคิดนั้นต้องคิดให้มากคิดเยอะเยอะไม่ถึงได้ยังไงก็เห็นโดนโท่ออยู่นี่นเอาเงี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยนั่งนี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยใช่ไหม แล้วก็ต้องวิจัยต้องพิจารณาไว้ว่าเนี่ยอัตนัยยะเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยของที่เนื่องโดยเราเคยนั่งเรียนด้วยกันเคยศึกษาพระธรรมร่วมกันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันมันต้องไปกันอยู่แล้วใช่ไหมนี่นี่เห็นไหมเวลาตัณหาหรือทิฏฐิเนี่ยมันไม่ยึดเนี่ยมันก็ไม่ยึดเลยไหมมันจะบอกไว้เลยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลูกเรานี้ไม่ใช่เพื่อนเรานี่ไม่ใช่แรงต่าง มันก็จะบอกปุ๊ปปุ๊ปปุป๊ปรายงานสัญญาก็จำวิปลตทันทีเหรอใช่ใช่ใช่ใช่ใ ช, ช, ชสัญญากวิปลาดใช่ไหม <Yeah. S 1> โอ้ใช่แล้วไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่หลานเรามันผิด <Yeah. S 1> ความสัญญาอย่างนี้มันมาจากอัตตนิยะที่ผิดมันมาจากความเข้าใจที่ผิดพลาดแล้วแท้ที่จริงนะท่านบุญนี้เคยเป็นพ่อเราแม่เราโดยหลักธรรมอย่างนี้ <Yeah. S 1> ใช่ไหมท่านั้นต้องต้องขยาย ความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดแล้วมันจะได้มองโอ้สิ่งต่างๆเนี้ยแท้จริงเน่ะไมเราคิดว่าโอ้ได้ประโยชน์จากท่านบุนนี้เราก็นึกโอ้ถ้าถ้าจะถ้าจะเห็นก็เห็นอะไรถ้าจะร้องต้องร้องอย่างพระอนุนใช่ไหมพระอนุนร้องไห้ที่พระพุทธเจ้ากับภาษาใิบุตรปรินิพานถ้าจะร้องต้องร้องแบบไม่มีอัตยนญยาแบบนั้น เพราะเห็นว sa ่าท่านผู้นี้ประกาศสิกขาสามให้กับสัตว์โลกได้ชัดและเราก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหมต้องเห็นเห็นคุณตรงนั้นที่เสียดายคือเสียดายตรงนั้นใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนนะนลภาษาสาริบุตรเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมุติขันมุติญาณทัศนาขันไปด้วยหรือไม่เอาศาสนาไปด้วยหรือไม่ บอกไม่ใช่ใช่ไหมนี่ได้สติเลยบอกอไม่ใช่ไม่ได้เอาศิกขาสามไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าศิกขาสามก็คือเป็นกลุ่มของกุศลธรรมทั้งหลายคือศาสนาไหมยเราสามารถจะดึงศิกขาสามไว้ในใจได้ถ้าเราดึงไว้ในใจเบีดเสร็จไว้แล้วเราก็จะบริญนิพพานอย่างท่านบุญนะั้นใช่ไหมจ๊ะมันมีแค่นี้จริงๆเนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จะโล่งใจไหม ใช่ไหมหนึ่งแต่คิดทีหลังไม่เสียนี่ใช่ไหมคิดทีหลังได้แต่นี้แปลว่าเกิดความเข้าใจแล้วตรงเนี้ยนะนี่เขาเรียกว่าเราเริ่มเดินเดินวิธีคิดเป็นแล้วนี่เข้าใจคําว่าอัตนิ ญ, ญย่างสิ่งที่เนื่องในตนมีสองประการใช่ไหมแบบมีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้ถามว่าจริงๆในชีวิตเราเยอดมหมเยอดมามากไห ม, ไมเคยวิจัยไหมอ่ะ เห็นไหมว่าอารมณ์ภายนอกต้องวิจัยไหมต้องวิจัยเทจรละจริงจริงด้วยเอาสิอันนี้ที่พูดไปเนี่ยวัตถุประสงค์ว่าเป็นอารมณ์แก่ปัญญาแต่สติแก่วิญญยณได้หมดในการนี้จะเพียนพยระและจะถ่ายถอนและเราเห็นผิดในสิ่งนี้ไหมเห็นผิดไหมฉะนั้นวัตถุชิ้นใดที่เราเข้าใจผิดวัตถุชิ้นนั้นต้องเป็นปัจจัยแก่ปัญญาได้เป็นปัจจัยแก่วิญญาณและสติเป็นต้นนะใช่ไหมเพราะตัณหาไปเข้าใจผิดในสิ่งใด เราก็ต้องไปใข่ควรไปพิจารณาในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นให้ชัดใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> เอ๊ะทำไมสังเกตุไหมว่าวิปัสสนาญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทั้งอารมณ์ภายในและภายนอกทั้งสิ่งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณแต่วิปัสสนาของเราท่านทั้งหลายนี่เราจะเอาแต่าภายในกันอยู่อัตอ ต, อติยะอัตตาอัต <c oughs> ยัตเต็มหมดเลยเห็นไหมแล้วมันไม่คุมจริงๆ้วยใช่ไหมจ๊ะ แล้วมันถ่ายถอนไม่ได้จริงด้วยเอาระสีตัวเนี้ยฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดสิ่งที่เนื่องด้วยเราใช่ไหมอัตตานิย่าเนี่ยเพราหนึ่งเราเข้าใจว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนไอตัวอัตตาเลยไปเข้าใจอัตตนิย่าอีกทีหนึง่งสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเห็นไหมเลยบวกเลยตัวเนี้ยปกติเข้าใจตนนัวเองก็ผิดอยู่แล้วและยังไปเข้าใจสิ่งที่เนื่องด้วยตนทั้งที่มีวิญ ญ, ญาณและไม่วิญ ญ, ญาณพลาด อีกโอ้โหเห็นไหมหนาชั้นแรกก็หนักใจอยู่แล้วโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็พอแรนอยู่แล้วการเข้าใจตาหูจมูกลิ้นกายใจผิดนี่ก็ก็สหัสการอยู่แล้วยังไปเข้าใจตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกผิดอกีกแล้วไปเข้าใจสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนื่องด้วยอินทรีย์ผิดอีกเนี่ยก็ไปพิจารณาเอาง มันยังมีเราและของของเราอยู่ไหมรูปของเราไหรูปเปลาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราและสิ่งที่เนื่องได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็แยกเป็นมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณก็ไปไข่ครวญอย่างเงี้ยนี่มองเห็นเนี่ยนะแล้วจะไปวิจัยต่อได้ไหมแบบเนี้ยเอาแล้วเราจะหยุดพอฟังจบปุ๊บงานการวิจัยงานการตรึกการไข้ครวญการพิจารณาแล้วจบแค่นี้ไหม ถ้าจบอยู่แค่นี้ไม่ก้าวหน้าแต่ลดอย่างเดียวลดลงอย่างเดียวใช่ไหมและเวลาแห่งการใครครวนเวกลาแห่งการพิจารณา <Okay. S 1> ใช่ไหมนับนับวันได้อย่าไปนับอย่าไปนับเดือนนะนับวันว่าเหลือกี่วัน เหลือกี่วันที่เราจะมีงานนี้เราจะจะได้วิจัยในเรื่องแบบนี้ได้แล้วไปในพบหน้ามีโอกาสจะมานั่งวิจัยนั่งศึกษาพระธรรมไหมไ<ด>ใช่ไหมเมืม่อไม่แน่แล้วควรระดมความเพียรหรือยังวยควรระดมเข้าความเพียรเข้าถึงสมาธิิจนถึงสมาสมาธิได้แล้วนะควรระดมได้แล้วใช่ไหนะอาจรมาพยายามบอกบอกมาตลอดตรงนี้เพราะว่าเสียงบอกเนี่ย ไม่เทีย่ยงเดี๋ยวโอกาสถึงการบอกเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วหมดลงก็คือหมดแล้วในที่เกิดจริงๆเราหนี่ยทั้งหลายก็ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมต่างคนต่างไปชีวิตมันเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้โอกาสในการศึกษาพระธรรมเหลือก็เหลือน้อยโอกาสเรียนธรรมะการจะมาบมเพราะนั้นบรรยากาศถึงการศึกษาพระธรรมต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆเพราะเราจะต้องเดินคนเดียว แต่เราจะมีสารณะในการไปยังไงเนี่ยตรงนเนี้ยนะตรงเนี้ยนั้นทุกคนเนี่ยนะต้องตั้งมัน่นต้องไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะต้องเดินจากทุกอย่างต้องไม่หวั่นไหวต้องแข็งแรงใช่ไหมถ้าไม่แข็งแรงเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอและเขาวาเวเพราะต้องจากทุกอย่างแม้บรรยากาศในการบางังคับ แม้บรรยากาศในการศึกษาพระธรรมท่าบอกว่าเอมารยาฐานอันมาก็ระดมระดมไปแต่สักวันนี่นมาก็หยุดแล้วก็เดินลงแ น, น่นอนและอันมาก็ต้องมีแผนอยู่ในใจใช่ไหมเออทุกคนก็ต้องมีแผนในใจใช่ก็ต้องมีตารางชีวิตในการที่จะเดินนั้นทุกคนเกี่ยวข้องกันแค่ช่วงแวบเดียวแค่แวบเดียวแล้วก็ต้องเดินจาดต้องแข็งแรงและต้องอยู่นะเพราะเพราะแต่และคนก็ต้องชําระขันธน์ธาตุญาณตัวเองให้ชัด ตรงเนี้ยล้วจริงไหมต้องเป็นอย่างนั้นจริงจริงเพราะว่าเรามีสารณะนะมามีหน้าที่ตอนเนี้ยพยายามจะเชื่อมเราให้ถึงสาระแต่ว่าความสามารถก็น้อยนิดเนี่ยใช่ไหมน้อยเหลือนดึงดึงแล้วดึงอีกเกาใช่ยังดึงแล้วดึงอีกก็เชื่อมไม่ถึงเพราะว่าถ้าใครถึงได้โมเดนาดูถึงนั่นโมเดนา อสนานี่เป็นเรื่องสําคัญมากเราจะต้องเป็นคนมีอสัญนาใช่ไหมต้องไม่ใช่คนหลักลอยเราต้องเราเกิดมาทันาศาสนาของพระเจ้าใช่ไหมเออเราเกิดมาทันเรามีอสัญนาตอนนี้เป็นกนะัญญาณะมิเทซึ่งกันอะไรกันไะและในส่วนจริงๆก็ถ้าวาระนี้จบไปก็คือจบใช่ไหมจบแล้วต่างคนต่างเดินไปเลยเป็นนี่เป็นอย่างเงี้ยชีวิตเป็นอย่างงั้นเลยถามว่าเราเรามาเอาอะไรเรามาเอาอะไร เพราะเราเดินมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏเราเดินผิดเดินผาดกันมาตลอดนะใช่ไหมออตอนนี้เราจะต้องเดินให้มันถูกตั้งหลักให้ถูกตอนนี้พบพุทธสารานแล้วพบคําสอนของพระบรมศาสดาแล้วอย่าปล่อยโอกาสนาะทีทองนี้มันผ่านไปใช่ไหมนี่เปล่าประโยชน์ใช่ไหมเอออย่ามวัวประมาทอย่ามวัวประมาทคิดให้มันถูกคิดให้มันเป็นใช่ไหมอะไรที่มันจะเป็นปัจจัยแก่การที่ระดมความเพียรเข้าถึงในการที่จะละศรักยะที่ถีได้ ต้องละวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปละพรุ่งนี้มัรลนนี้ถือว่าช้าไปแล้วใช่ไหมเพราะเราช้ามานานแล้วนั่นก็ต้องวิธีละวิธีไข้ควรวิธีวิจัยก็ว่าไปจริงไหมโยมาวัดเนี่ยต้องอย่างนั้นมันต้องระดมจริงจิงไม่ใช่ว่าโอ้พอพูดหลังแบบนี้ไปสองสาวันไปเสรก็กลับไปเป็นคนเดิมเนี่ยไม่เ <c oughs> ข้าใจยังมันมันปแปลกอะ่ะล้วก็ต้องกระตุ้นตัวเอง <c oughs> มาใช่ไหม จริงไหมยองต้องกระตุ้นเยอะๆต้องระดมความเพียรให้มากมันอย่าอยู่แค่นี้อย่าพัฒนาแค่นี้ความคิดต้องมากกว่านี้ใช่ไหมก็ลองคิดดูที่เราบอกโอยเราอย่าไปคิดว่าโอ้โหพูดได้ถูกเนาะพูดได้ดีเนาะอยากแค่นั้นอย่าต้องระดมต้องระดมต้องต่อต้องใคร่กลเพราะอะไรมาต้องก็ต้องระดมมุตัวเอง ต้องระดมพุทธามาก็ยังยังไม่ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุและธรรมไม่แจ้งยังทำยัที่ยังไม่ทําให้แจ้งพุทธมาก็ต้องระดมสุดสุดวิธีคิดพุทธามาที่จะทําได้อะสุดเลี่ยวแรงอ่ะแล้วมันยังคิดว่าเลี่ยวแรงยังน้อยไปนะก็ระดมเพิ่มความเพียรเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมก็ทําไปไม่การกล่าวว่าทํพุทามาคิดว่าเนาะมาระดมความเพียรในการที่จะขัดเกลาอนะ ตรงเนี้ยอภิการต่อมาก็คือว่าวิปราชเกิดขึ้นเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ถือสิ่งที่ไม่ใช่อัตตนิยะและขสัญญาวิปราชโช่เดียวกับสำคัญในผู้ที่ไม่ใช่ลูกเป็นต้นแล้วเนี้ยนะลูกหญิงลูกชายเป็นต้นแล้วเนี่ยลูกสาวลูกชายสําคัญเงินทองรัตน์าต่างๆเหล่าเนี่ยนะดังที่ได้กล่าวนั่นแหละก็อุปมาเหมือนกับกวางโง่ดังที่ได้กล่าวที่กระหิวหายน้ําแล้วก็วิง่งไล่กิน จะไล่ไปเพ่อจะให้ถึงกับพยับแดบไปเข้าใจพยับแดบด้วยเป็นแม่นะครับวิ่งไปนั่นแหละความจริงแล้วเนะี่ยอัตราเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงอัตานี่นะ่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเป็นเช่นนี้อัตญยะจักมีมาจักมีจริงได้ยังไงครับก็อัตตายังไม่มีจริงแล้วอัตญยะสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจะมีได้อย่างไรใช่ไหมตรงนี้ต้องเข้าใจให้ชัดนะความสําคัญว่าเราของของเราหญิงชายเป็นต้นเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหม พอเราไปเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของทัศนาสันติ ส, สวรนาสันติเนี่ยความเป็นไปทางทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจจนถึงจนินตนะสันติคือความสื่อต่อความคิดน่ยว่ามันเป็นเราแต่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงสิ่งที่เนื่องด้วยเราเนื่องด้วยอัตตาและอัตติยะจึงไม่มีอยู่จริงฉะนั้นเราจะไปวิ่งหาได้ยังไงวิ่งหาโลกวิ่งหาทรัพย์วิ่งหาสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเข้าใจยังแต่เนี้ยมันมีอยู่จริงไหม ไ ม, มไม่มีอยู่จริงแปลว่าเราวิ่งผิดแล้วใช่ไหมวิ่งผิดแล้วมันจะไม่ได้ได้ไหมเอาวิ่งจับพยับแดดได้ไห ม, ไมไนั้นเราจะวิ่งหาภรรยาวิ่งหาลูกวิ่งหาทรัพย์ของเรามันมีอยู่จริงัหม ม, มันไปเจอแต่ขันทาตัยยะตนะ แล้วมันไปเจอแต่เอาวินีโพคัลูแปะเท่านั้นแต่โลกจะสมมุติเรียกว่าอะไรสมมุติเรียกว่าทองคือทองนั่นแหละก็ ต, ตามเข้าไปสมมุติว่าเงินก็คือเงินมีค่าก็ว่าค่าไปนะัสิ่งสมมุติต่างๆในเราวิ่งหากันมายาวนานแล้วเขาเรียกว่าเหมือนกวางโง่ตัวนั้นนะี่ยกวางโง่ตัวนั้นที่ วิ่งจะไปเห็นสําคัญไปยับเนี่ยตัวเป็นน้ําตัวเองหอยหิว oh, ใช่ไหมหอยหิว oh, หิวอะไรหิวน้ําหิวน้ําวิ่งไปแล้วก็ไม่ได้กินน้ําที่แท้จริงหรอกก็ไปใช้ความสําคัญว่าเ e ออตนเองได้แล้วได้แล้วแต่วิ่งดูไปข้างหน้าไปถึงเอาไม่เห็นไม่ได้อีกแล้วเหมือนเราบอกโอ๊ oh, ้พอไปได้ได้ได้ได เราทํามีลูกเราจะมีความสุขเนาะพอไปได้ลูกขึ้นมาเยีความสุขอยู่ไหนเนี่ยอ้าววิ่งไปต้องเขาโตอยู่ข้างหน้านุ่นเนี่ยต้องให้โตไปอีกหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้สุกเราวิ่งวิ่งวิ่งพ่อเขาโตหน่อยอ้าวไม่ถึงอีกเหมือนไอ้กวางโง่ตัวนั้นอะไรอยอาวางโง่ตัวนั้นวิ่งไม่ถึงน้ําทันทีอีออ้ออยู่ข้างหน้าโอต้องให้เขาเรียนจบก่อนสิวิ่งวิ่งวิวิ่งตามเบพ่อเขาจบมาอ้าวไม่ใช่อีกแล้ว อ้แต่งงานลูกแต่งงานใช่ไหมกวางกวางโง่อ่ะกวางโง่ดวยนั้นน่ะเข้าใจยังใช่ไหมมันก็วิ่งไล่ไป มันไปเข้าใจอัตตาผิดใช่ไหมนึกว่ามีตัวมีตนจริงๆเลยไปเข้าใจอัตตานิยะว่ามีอยู่จริงสิ่งที่เนื่องโดยตนมันก็ไม่มีอยู่จริงเพราะตนไม่มีแล้วเนี่ยไปไปไ ป, ไปวิ่งหาสิ่งที่เนื่องด้วยตนมันจะมีแต่ที่ไหนอะพลาดหมดเลยพลาดหมดเลยแล้วจะทํำยังไงอ่ะ นี่เข้าใจยังนเนี้ยฮะถาม่าพูดอย่างนี้ยังมีความหวังัหมมันทำให้มีความหวังมากขึ้นดีถ้าเข้าใจเถอเอ้าเดี๋ยวถามยอมที่ถามปัญหาแต่ทีแรกตอนเนี้ยเข้าใจหรือยังว่าอะไรทำให้เราไม่อยากออก ไม่เข้าใจได้ยังว่าตอนนี้เราทําว่าตอนเนี้ยปริมาณของความเข้าใจถ้าตรงนี้มากขึ้นมาแล้วถ้าเข้าใจถูกมากขึ้นแล้วใช่ไหมความเข้าใจถูกนี่แหละจะระดมทําให้เราเข้าใจหนทางเดินมากขึ้นแล้วจะไม่อึดอัดในการเดินตอนนี้ยังอึดอัดอยู่ไหม ใครทอมีความสุีความสุขดอาีวสอาสกยังไงลอดฟังมึงงเจ็บแค่ได้ป่วยสุตอนนี้ยังไม่แกว่ว่ามันดึกยังไม่เจ็บเนาะตอนนี้เจ็บือยัง คือมันอย่างงี้นะถ้าเราพูดถึงปฏิปทาเขาเรียกบางทีก็ทุกขาปฏิปทาทันตาเปญนาทุกขาปฏิปท า, ปาขาิป่ป า, าเป็นาสุขาปฏิปทาทันตาเปญนาสุขาปฏิปทาแล้วก็ขิปา่าพินเดียนะบางคนนี่เขาสะดวกนะแต่เขารู้ช้า <c oughs> คือใชมบางคนสะดวกแต่เขารู้อะไรได้เร็วนี่ เขาเขาเขาเขามาสะดวกหรือไม่สะดวกในที่นั้นนะสบายหรือไม่สปายยะหรือสบายหรือไม่สบายในเป็นชื่อของตนาเป็นชื่อของที่ฐิเนีน่มันเป็นชื่ อ, อตรงนีน้บางคนนี่ออกยากเป็นทุกข์ตรงนี้ก็คือว่าอัตตาเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะอั ต, ตนิยะก็ไม่มีอยู่จริงตรงนี้เขาที่บาลีท่านยังบอกว่าอัปปัตตามัตถิธนะมัตถิ อิติพาโลวิหันยติอันนี้เป็นพุทธพจน์อัตตาหิอัตโนนติกุโตปุตตากุโตธนังคนพานเป็นเหมือนกวางโง่ที่วิ่งไล่ตามพยับแดดสำคัญว่าเป็นน้ำที่พูดเนี่ยเอาพุทธพจน์มาพูดเนะย่อมสำคัญผิดด้วยอัตตนิยสัญญาอย่างนี้ว่าบุตรของเราทรัพของเรา ความจริงแล้วอัตตาของเราก็ไม่มีบุตรและทรา์จักมีมาแต่ที่ไหนกันเล่าอัปปุตตามาธิธนะมะทีอิติบาลวิหันยาตีอัตตาหิอัตโนนทีกุโตปุตาาต า, ญญาตตตนนกุโตดนังนะตรงนี้คนผ่านเป็นเหมือนกวางโง่ที่วิ่งไล่ตามพยับแดดนะ สำคัญว่านา้ําย่อมสําคัญผิดด้วยอัตตนิยสัญญาคือสัญญาไปจําผิดว่าบุตรของเราสัญญาที่ไปจําผิดบอกว่าทรัพย์ของเราความจริงแล้วอัตตาของเราก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จักมีมาแต่ที่ไหนฉะนั้นการข้นขวายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในสิ่งต่างๆที่มีอัตตนิยสัญญานั้นจึงชื่อว่าเป็นภาระสสุกะก็คือเป็นลักษณะของคนพานนี้ใช่ไหม คนพานก็จะวิ่งกระเสือกกระสนเธอถ้าการขวัขวายด้วยกายกรรมเนาะเอาการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาการคิดทางใจต่างๆเนี่ยทิ้งเป็นไปทุกๆขนาเลยใช่ไหมถามว่ามีไหมขนาดที่กายกรรมไม่เคลื่อนไหวไเคลื่อนไหวก็อยู่ตลอดเวลาวจีกรรมมนโนกรรมด้วยแล้วเนาะคิดอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยถามว่าในกรณีที่เราจะต้องใช้กรรมสามในการประกอบในการวิ่งไปในสังสารวัตรเนี่ย ถ้าไม่เนื่องโดยอัตาน่ยสัญญาเนะี่ยไม่เนื่องโดยสัญญาในการจําที่ผิดผิดพลาดพาดแล้วเนี่ยอย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นบาปแล้วเป็นบัณฑิตแล้วเขาเรียกว่าเมื่อไม่มีอัตานิยสัญญาอกศุศลธรรมก็ไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเนาะราคาโทรศัโมหะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะค่อยๆลดไปอัตญน่ยย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีอัตาถิฐิเมื่ออัตญน่ยนี่นะที่เป็นไปในขันธสันดานภายในหรือความสําคัญวัตตาของเราหูของเรา จะหมูกลิ้นกายใจของเราเป็นต้นอัตหนิยะที่เป็นไปในสันดาภัยนอกคือความสําคัญว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นของเราเนี่ยถ้าต่างๆเลยนี้เราละได้แล้วจะเรียกหรือว่าเราเข้าใจถูกต้องแล้วแปลว่าคนนั้นไม่มีอัตตาทิฏฐิแล้วก็ไม่มีอัตหนิยะแต่ถ้าละไม่ได้เขาเรียกมีทั้งอัตตาทิฏฐิและอัตหนิยะผู้ที่ละอัตตาทิฏฐิได้แล้วเมื่อกําลังสะสมทรัพย์เลี้ยงดูบุตรภรรยาอยู่ก็ทํา ไม่ทําด้วยอัตตานิยสัญญาแต่บางคนก็เขาทําด้วยตัณหาเนะี่ยคนที่เขาละได้แล้วในพระโสดาบันเนะี่ยไม่ใช่เขาไม่มีตัณหานะแต่ตัณหาเขานั้นไม่มีทิ่ถี่แล้วเป็นตัณหาที่เป็นยานวิบยุทธใช่ไหมเออขอไปเป็นตัณหาที่เป็นวิบยุทธเป็นวิบยุทธเพ ะ, <ม>ะนั้นเขาก็ไม่มีทิ่ถี่เขามีแต่ ม, มานะแต่มานะเขาก็ไม่แรงนะ เออมาหนากระสรวงดาบบันนี่ไม่แรงหรอกฉะนั้นเขาก็เลี้ยงทรัพย์ด้วยตัณหาเขาได้ไหมเขาก็ได้เขาก็ยังมีความยินดีมีพอใจนั่นแหละแต่เขาไม่สําคัญผิดใช่ไหมเราจะทํำยังไงล่ะให้เรามีร่องรอยของพระอิยาอยู่ในกระแสใจเราบ้างเนี่ยนั่นแหละตรงนั้นเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญที่ท่านทั้งหลายจะต้องคิดจะต้องพิจารณาใช่ไหมถ้าไม่คิดไม่พิจารณาตรงนั้นเดีก็เสียหายเลยเดีเยวนี้ในคราวใด ที่มีการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็าจึงบอกว่าละอัตถิฐิได้แล้วในกำลังที่กําลังเลี้ยงตนเองต่างๆทํ า, า, าทกิจการงานต่างๆนี่แปลว่าเขาเข้าใจอย่างเรานี่นะหนึ่งไม่ได้เป็นพระโสดาบันใช่ไหมแต่เราจะทําทําโลกิยาปัญญาเนี่ยที่เป็นไปกับความเข้าใจถูกต้องได้ยังไงใช่ไหมตรงนี้นี่แหละก็คือการไขควนการพิจารณาตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจถูกต้องแล้วแสดงว่าชัดเจนแล้วในการใช้ชีวิตใช่ไหม แปลว่าเราจะไม่ให้อัตตาที่ถีเข้าสิงใจเราบ่อยแล้วพยายามละแล้วอัตตนิยะเนี่ยก็จะถูคลายตัวไปด้วยนะก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องทีนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วโอ้โหสบายแล้วใช่ไหมเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วก็คือว่าเขาละอาทิฐิได้แล้วเนี่ยก็ไม่ทํปปาอปัยยะธรรมนิยะอภัยยะธรรมธรรมนิยกะก็แปลว่ากรรมทั้งหลายจะนําไปสู่ใบยภูใช่ไหมเพราะว่าคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาละทิตถีวิจิกิจฉา ถ้าตามพระสูตรก็บอกกะละสักกายทิฏฐิวิจิเกชา้าสีรับตาปรามาตสักกายทิฏฐิคืออะไรอัตตาทิฏฐินี่แหละความเห็นว่าเราใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นตัวเป็นตนนี่แหละแล้วก็ละพระสวดาบาลละอัตตานิยะได้ไหมสิ่งที่เนื่องด้วยเราต้องได้สิใช่ไหมพอมิชา้าทิฏฐิท่านไม่เกิดแล้วไหมท่านไม่มีทั้งอัตตาและอัตตนิยะท่าพระสวดาบาล น, นี่นะ เขาจึงมีหลักเลยว่าถ้าใครเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ห้ามพาไปขอไม่ได้นะขอขอแล้วให้หมดนะพระโสดาบันนี่โบเดจ้าที่จะห้ามไว้เลยใช่ไหมจะขออะไรได้หมดเลยถ้าคนเป็นพระโสดาบันเนี่ยเนี่ยถ้าคนเป็นพระโสดาบันเนี่ยอย่าไปเ อ, อปายากขอเลยเขาจะมีชุมสมัยโบราณก็จะมีชุมชนโสดาบันเลย ม, มีในสาวถีในกรุงราชเกลือก็จะมีชุมชนเยอะแยะไม่หมืพระอริยะนี่พระพระนี่จะรู้กันเลยมีพระสรดาบัน่พระสรดาบันเนีท่านทําท่านท่านให้ทานของท่านเป็นปกติอยู่แล้วทีนี้ บุคคลที่ละอัตทิฐิได้แล้วก็ไม่ทําอปัยยาคมามนิยะใช่ไหมคือกรรมที่จะนําไปสู่อบัยภูมิถ้าจะเรียกว่าอปายยาคามิกรรมก็ได้นะกรรมที่จะเป็นเครื่องนําไปสู่อบัยภูมิคืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าหีนาปักขกรรมก็ได้กรรมที่เป็นส่วนเบื้องต่ํำสามเนี่ยเพราะเหตุแห่งอชัจติกาวัตถุแล้วก็ภัยละวัตถุก็หมายความบอกว่า วัตถุภายในเนี่ยเ ko. ขาหมายความบอกว่าเขาจะทํากรรมเพื่อตนเองอไงทํากรรมเพื่อบุคคลอื่นเนี่ยทํากรรมปารภตนเพื่อจะเป็นปัจจัยแกการลงไบยภูมิทํากรรมปารภบุคคลอื่นเพื่อจะลงไบยภูมิพระสุาทรบาลไม่ทําเด็ดขาดใช่ไหมเพราะบางทีเนี่ยให้สังเกตดูนะตอนที่เอตอนที่พันภาษาดีบุตรใช่ไหมมีพรามณ์ท่านหนึ่ง ที่ว่าแต่ก่อนเป็นสมาชิกทีตีต่อมาได้ภรรยาที่เป็นสมาชิกทีตีเสียชีวิตแล้วก็ได้มีภรรยาที่เป็นวิจฉาทิฏฐิแล้วมาก็โกงส่วนของรัฐ ด, ด้วยกงส่วนของประชาชนด้วยที่ตนเองมีทํางานใกล้ชิดพระเจ้าเว น, นินก็ไปบอกพระเจ้าเวนินบอกปีนี้ผลแรงเก็บเก็บพืชทันไอเก็บเก็บเก็บภาษีได้น้อยแล้วก็ไปบอกประชาชนบอกว่าพระราชาต้องการมากนี่นะได้สองส่วนโกงสองส่วนเนี่ยต่อมาเรื่องนี้ก็ไปถึงภาษาริบบิ้นี่คือไม่ใช่พระโสดบันใช่ไหม ความคิดแบบเนี้ยพอภาษาลีบุตรไปถามใช่ไมท่านทําอย่างนี้ท่านบอกว่าไหนต้องลูกไหนต้องภรรยาไหนต้องฆ่าทาตบริวารมันจําเป็นต้องทําแบบนี้นั้นท่านต้องทํากรรมชั่วเพื่อเพื่อเลี้ยงคนอื่นฉะนั้นการทําอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทําเพื่อปารบอัจฉติยะวัตถุเลยคือไม่ได้ปารบเพจภายในตนเลย ไม่ได้ปลารบตาหูจะบุกลิ้นกายใจตนเองนะน่นนะ่ะปลารบตาหูจะบุกลิ้นกายใจที่เนื่องโดยตนนะ่ะปลารบอัตเนียไม่ได้ปลารบอัตาเพราะงั้นปลารบอัตเนียภาษาอียิปต์ก็เลยแสดงบุคคลให้ฟังเลยเอาเมื่อคุณทาเพื่อบุคคลอื่นเนี่ยเอากรณีที่เอาโจรผู้ร้ายดีกว่าบอกตนเองไปป้นสะดมต่างๆเหล่านี้ยไม่ใช่เพื่อตนเองเลยนะเพราะงั้นต้องการจะเลี้ยงชาวบ้านต้องการที่จะเลี้ยงญาติมิตรเพราะญาติมิตรเดือดร้อนวงนะั้นดึงไปป่น ถามบอกว่าอย่างนี้เป็นเหตุแห่งการที่พระราชาผ่อนผันโทษได้ไหม <c oughs> ไปนายเนียาบานก็เหมือนกันพอเราถึงนายนียาบานเนี่ยเขาก็จะไม่ผ่อนผันโทษใะ้นิดหน่อยเขาก็ไม่ผ่อนผั น, นโทษนะ้ก็ไล่ไปตามลำดับนี้จริจริงก็เห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าทำกรรมชั่วไม่ได้ปลารบตนเองแต่ปลารบภัยแล้ววัตถุวัตถุภายนอกนะบางทีก็ปลารบเกี่ยวในเรื่องโอ้โหเนี่ยนะตอนเนี้ทรัพย์มันน้อยลงอ่ะทํายังไงจะทําชั่วได้เพื่อจะได้ทรัพย์เพิ่มขึ้น นี่ปาลบวัตถุที่ไม่มีวิญญาณอัตน ญ, ญาณที่มีวิญญาณก็ก็ทำกรรมชั่วบางคนก็ปลารบสิ่งที่มีเออได้ลูกหิวทําไงเราต้องฆ่าสาัตว์ใช่ไหมไม่ฆ่าสาัตว์ลูกจะกินได้ยังไงเราต้องเราต้องฆ่าสาัตว์แล้วต้องฉีดยาฆ่าแมาลงเราจะต้องหาปลาเราจะต้องฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่เพราะลูกเราตาแดงๆงตาดําๆยี่ต้องเรียนหนังสือใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกปลารบวัตถุภายนอก สภาวิญญาณนะครับปารบรัดภายนอกแล้วก็ทํากรรมชั่วเนี่ยกรรมในลักษณะนี้ก็เรียกว่าอปัยยกรรมนิกรรม อ, อ, อ, อปัยอภัยยกรรมหมายความว่ากรรมที่นําไปสู่ไบยพภูมินะฉะนั้นสัตว์โลกตั้งหลายจะยังมีอัตตาอัตติยะเนี่ยทำกรรมแบบเนี้ยปารบตนบ้างปารบบุคบุคคนอื่นด้วยแล้วก็ทํากรรมชั่วได้ใ น, นสิ่จริงก็ลองไบยพภูมิมันไรามันถอนไม่ได้ใช่ไหม พอเพราอมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้มันก็เป็นแกนหลักเป็นประธานหลักในการทำให้สัตว์นั้นน่ะเข้าถึงบาปรกรรมบาปปฏิทีปทั้งหลายบาปรกรรมบาปปฏิทีทั้งหลายก็ฟังแน่นในกระแสขันต่อให้รู้พระธรรมเนี่ก็ทํากรรมชั่วถ้าอัตานยะอัตติทิฏฐิยังถอนไม่ได้ก็ทํากรรมชั่วใช่ไหมในสิ่นจริงก็ปารบในสิงกระลูกเราภรรยาเราใช่ไหมสามีเราอะไรต่างๆเนี้ยถ้าไม่เพียรพยายามในการที่จะถ่ายถอนเพียรพยายามในการที่จะวิจัยในการที่จะล่าเขาจริงๆเห ย, ยาก อยากอยามากๆเลยใช่ไหมตรงนี้ก็เริ <mm ่มเริ่มเข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจตรงนี้เบเสร็จแล้วเราจะได้ว่าการการเรียนการเรียนฟังบรรพันไม่พอจริงๆไม่พอไม่พอใช่ไหมไม่พอต้องวิจัยต้องใคร่ครวญต้องพิจารณาต้องเจาะมันไม่ใช่เป็นเรื่องมานั่งฟังเล่นๆเพินๆไปโอ้นี้ฟังไปทั้งสองชั่วโมงสาชั่วโมงเบเสร็จกลับไปก็เออพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะฟังที่ไหนต่อพรุ่งนี้ไปฟังที่ไหนต่อนะว่างั้น เอาไปเรียนที่ไหนต่อว่า ง, งั้นจะได้มีความรู้เพิ่มเพิ่มอัตราก็ยิเพิ่มขึ้นว่า ง, งั้น <c oughs> แล้วก็ปาลบวัตถุภายนอกอัติยะโอ้คนนั้นอยู่สอนดี <c oughs> คือต้องขัดเกลาฟังเพื่อการขัดเกลว์เพื่อใครควร <c oughs> คือคื อ, อมาพยายามระดมพยายามปลุกลาววิธีคิดนะว่าเรียนกันให้ถูกสักทีเหอะนะเรียนเพื่อเป็นปัจจัยแก่การที่จะไล่อัตรานี่อัตนิยญานี่ ใ ห, ให้ถูกก็ดีมันจะได้มันจะได้ไม่หลงทิศหลงทางกันนะเพราะว่าถ้ามันมันไปอย่างนี้มันจะถูกใช่ไหมแล้วก็ไปปาร์คกันนั่งศึกษากันในมันมีโอกาสขัดขัดเกลากันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ตั้งหลักให้มันถูกถ้าตั้งหลักผิดตัวเนี่ยมันต้องบอกไงที่เส้นทางที่จะเดินเนี่ยนักคํานวณมัต้องถามโยมกิจงานใช่ไหม ออถ้าจะคำนวณตึกํำนวนถนนคานวณอะไเงี้ยถ้ามันพลาดขึ้นมาเนี่ยตึกซักหลังเนี่ยพังนะม่ถ้าพลาดเนี่ยพังก็ขนาดวัตถุภายนอกเนี่ยคำนวณผิดมันยังพลาดก็ศีลและทิฏฐิที่ตั้งไว้ผิดมันเนี่ยจะไปถึงนิพพานได้ยังไงฉะนั้นต้องตั้งให้ถูก ฉะนั้นทิฏฐิต้องวิจัยเสียใช่ไหมให้เป็นสมาทิฏฐิให้ชัดแล้วก็ต้องเอาศีลมาเป็นฐานรองรับ็นการวิจัยด้วยใช่ไหมถึงจะถึงจะชัดอย่าไปอย่าวิจัยในขณะที่ทุศีลวิจัยใ น, นตรงเนี้ยถ้าตั้งหลักให้ถูกเสียใช่ไหมมันก็จะได้โอแต่นี้ได้เดินชัดขึ้นนี่เข้าใจแล้วนะนั้นตรงเนี้ยก็ คว้านควายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในสิ่งต่างๆที่ไม่มีอัตตาสัญญาอัตตานิยสัญญาก็ไม่ชื่อว่าเป็นคนพันเนาะไม่ไม่เรียกว่าความเพียรพยายามอย่าลืมนะว่ากายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่มีการขับเคลื่อนด้วยอกุโสรกรรมเนี่ยต่นนั้นเขาเรียกพาลาธรรมานะสภาวธรรมทั้งหลายที่ทําให้เป็นคนพนนันนะเรายิ่งเพียรก็ยิ่งเป็นปัจจัยยิ่งทําให้เราเป็นคนพนนันนะใช่ไหมเอาสิถ้าเราลองเพียรไปสิ ทีนี่ถ้าเพียนเรียนด้วยอกุศลนั่นก็แบบเพียนพานนี่สกที่ไหมเขาเรียกเป็นภาษาบาลีเขาเรียกไงดีเนี่ยพานเนี่ยเขาเรียกพานละศาสุ ก, กะใช่ไหมเป็นความเพียนพยายามของคนพานเนี่ยเป็นความเพียนพยายามของคนพานนั่นเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องก็ต้อ ง, ต, องต้องเข้าใจเขาถึงบอกว่าอากุศลธรรมเนี่ยนะ เขาเรียกบอกว่าอัตตากายกรรมการขวัขวายอ่ะการขวนขวายด้วยกายกรรมหมายความว่าอัตตนิยสัญญาว่าของของเราของเราของของเราเป็นต้นแล้วเราก็ขวนขวายไปที่ขวัขวายด้วยกายกรรมขวัขวายด้วยวิจีกรรมขวัขวายด้วยมโนกรรมด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิเนี่ยนะเขาเรียกอัตตนิยสัญญาที่ถ้าเราดูในหลักสูตรในชั้นต้นๆน่ะเขาจะบอกว่าถามว่าสัญญาวิจิต ก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาวิจิตใช่ไหมตัณหาวิจิตก็เป็นปัจจัยแก่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมและวิจิตเห็นไหมเพราะถ้าเรามีทิฏฐิที่มีตัณหาเป็นมูลพอมีตัณหาเป็นมูลเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จําได้ใช่ไหมความจําของเราที่มันเกิดร่วมกับตัณหาเใช่ไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้ไงสัญญาตรงนี rights, Arrow, Combat, rights, ้มันก็ไปจําแล้ว เขาเรียกเป็นสัญญานั้นเป็นมันมาจากในรักนะอัตตนิยตสัญญาสัญญาที่ไปจําว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมมันเป็นเราแล้วก็เลยเป็นของของเราพอไปจําอย่างนี้แล้วก็ขวนขวายไปสิมันยอมวารว่าถามมาจะมาว่า อ, อพอทําบุญแล้วเนี่ยามาถามบอกว่าสักยัตทิฏฐิเนี่ยเป็นปัจจัยให้ลงอบายภูมิได้ไหม แล้วถามว่าทิฏฐิทุกชนิดอัตกระถาท่านขยายยังไงคือคือท่านพูดสองตอนนะเดี๋ยวอะไมาพเพราะท่านจาจําได้นะตอนแรกตอนแรกนี่ท่านพูดว่าสักยัตทิฏฐิห้ามมรรคไม่ห้ามสวรรค์นะพวกนิยธรรมิจฉาทิฏฐิห้ามทั้งมรรคห้ามทั้งสวรรค์ด้วยก็ว่าไปแต่ขึ้นชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิแล้ว ที่จะนำไปสู่สวรรค์ไม่มีเลยก็หมายความบอกว่าถ้าเรายังมีสักยาติทิถิถ้าสักยาติทิถิเกิดขึ้นในมรณาสถานการนะไปนรกหมดเลยคืออย่าให้เชอย่าให้ชนะสุดท้ายเป็นโลภะอย่าให้อย่าให้มีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน ถ้ามีความเป็นตัวเป็นตนตก็ต้องลงอบายภูมิหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือต้องเข้าใจให้ได้อ่านสูตรนี้ไอ้อัตถกาถาตรงนี้อ่านต้องเข้าใจเดี๋ยวจะไปนี่กอยสบายใจแล้วเรามีแค่สักยะทิฏฐิเราไม่ลงอบายภูมิแลอกใช่ไหมเราเรียนพระธรรมกันแค่เนี้ยเสี่ยงมากเพราะขึ้นชื่อว่าสักยะทิฏฐิชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิที่จะไป น, นำไปสู่สวรรค์ได้ไม่มีเลย ก็แปลว่าเรามาเนี่ยไมย่ไม่ได้มาด้วยสักกายทิฏฐินะกรรมที่เป็นกุศลแท้ๆนำปฏิสนธิตอนนั้นพระเอิญสักกายะทิฏฐิมันไม่ไปสวมปกก็ไปใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ลงอภัยภูมิไปแล้วเพราะท่านโลภะชาวนะเกิดขึ้นตอนนั้นมีสักกายะทิฏฐิก็ต้องลงอบัยภูมิอยู่แล้ว น, นี่จะไปสวรรค์ได้ยังไงท่านต้องการพูดให้รู้ว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดในกุศลจิตถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นมาแล้วนี่จะไปไปสวรรค์ได้ยังไงใช่ไหม เอานี้ลองเขียนโลพาเป็นในมรณาสันนิิวิถีดิเอาโลพาโลพาในมรณาสันนวิถีเป็นโลพาที่คบกรรมาบทที่ไหนแล้วเป็นโลพาที่อ่อนแอที่สุดเป็นโลพาเพื่อจะรับผลเท่านั้นเองใช่ไหมเป็นรับอารมณ์ที่เป็นกรรมวอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์ขตินิมิตอารมณ์เท่านั้นแหละรับเสร็จจะลงองบายจะพูดบาย เขาไม่ได้ไปทำกรรมอะไรหนักหนาเลยนะมรับอารมณ์เท่านั้นน่ะเพราะเขาอ่อนมากค่ะทายตถุก็กำลังอ่อนชาวนาจิตก็จ ะ, จะแตกดับอยู่แล้วพบก็จะขาดอยู่แล้วจูไปชีวิตนามาชีวิตจะขาดตอนอยู่แล้วใช่ไม่ใช่ขึ้นชื่อว่าสักยะทิฏฐิชื่อว่าทิฏฐิแล้วจะนำไปสู่สวรรค์ไม่มีหรอกยายนปอน ก็ถ้าเป็นกุศลเกิดขึ้นก็ไปสุคติคือคำเขาเป็นคนลขนาดขณะจิตโยในขณะที่กุศลเกิดตอนนั้นคําว่าเราไม่มีแต่พอกุศลดับไปแล้วความสําคัญว่าเราทํามันยังมีมันคนละขณะต้องอธิบายกันให้ชัดเช่นว่าในขณะที่ทําบุญกุศลใช่ไหมตอนนั้นเป็นกุศลจริงๆเกิดขึ้นมาแต่ความรวดเร็วของวิถีจิตเลยไปสําคัญว่าเราเป็นผู้ทําบุญไอ้ตรงเนี้ยความว่าใจผิดตรงนี้เป็นวิจารณิติ มันจะต้องสลับตลอดนะมิจฉาทิถิสลับกันตลอ ด, ลอดพอเรียนโอ้กุศลลจิตเกิดใช่ไหมพอในอีกขณะหนึ่งโอ้โหเราเข้าใจในมิจฉาทิถิาาใช่ไหมมันจะมีมีแทรกเป็นระยะมิจฉาทิถิมันจะคอยมามาแทรกเป็นระยะเขาคอยมาสลับช่องว่างอยู่ตลอดล <c oughs> ลอด้วยเราใช่ไหมจาก น, นั้นนั่นแหละให้เข้าใจตรงนั้นเสียว่าความเข้าใจนะั้นถ้าคนที่เขาเข้าใจเขาจะคอยกันความเห็นเรื่นี้นี่มาแล้วเนี่ยใหม่แล้วใช่ไหม มาจะเข้าใจแล้วกุศลเกิดก็หายไปพอกุศลดับเข้าใจว่าเราเข้าใจมันจะอยู่อย่างเงี้ยแม้ไปปฏิบัติเหมือนกันนะแม้ไปปฏิบัติเนี่ยไปพิจารณาเบสเซตนี่นะเบสเซตอเกิดความเข้าใจปุ๊บมาว่าเราเข้าใจมันจะอยู่เงี้ยมันก็เลยสลับเนี่ทั้งเรียนทั้งไปปฏิบัติก็เลยมาหมุนหมุนหมุนกัเยอะนะเข้าคนผิดกูถูกไปกันเยอะแเนี้ยเข้าใจอย่างตต่เนี้ยก็เรียกว่ายังเดินข้ามขอนไม้กันไม่ได้เลยมานั่งท้วงกันอยอะเนี่ย แม่นิตาโตจังว่าไงเนี่ย น, นกลูกนกลูกนกเข้าแมวเนี่ยมันทวงตามแม่มันมันทวงว่าแม่ตาโตมันไม่เห็นตาขมันมันไม่เห็นตามั น, น, ต, ามนตามันก็โตมันบอกแม่นิตาน้าเกลียดจัง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะแม่หนูาตา าตาตาหน้าตกกีดทั้งไม่ไ <c oughs> ใช่ไหมกันแล้วก็ไปอย่างนั้นแต่นี้วันนี้เราอยู่กับทิศตีเนี่ยนะฮะกะกะว่าจะพูดแค่วันเดียวมิจฉาทิศตีฮะอ๋อก่อนเนี่ยมิมิจฉาทิศตีเป็นโลภใช่ไม้ม เกิดร่วมกับโลพาใช่ไหมถ้าเกิดร่วมกับโรพาที่เป็นสมนณะก็เรียกอาสาททิฏฐิใช่ไหมทิฏฐิที่เป็นไปกับสมนณะบ้างเป็นไบเก่าเบิกขาบ้างถ้าในเวลามิจฉาทิฏฐิเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยนำชัวใบภูมิหมดเลยอ๋อแล้วในขณะที่เราเรียนหนังสือใช่ไหมอ่าภาษาคําว่าเราเนี่ยสื่อไปทําให้เป็นอารมณ์อารมณ์นับใจทิฏฐิดีนัก คำว่าเราเนี่ยแต่ถ้าไม่พูดว่าเราก็ไม่รู้จะเอารูดคำว่าอะไรท <'s> okay. ีนี้บอเลบอกว่าเออตรงนี้เป็นคําบัญญัติสื่อก็ไปเพื่อจะให้เราเข้าใจนะแต่มันมีเราอยู่เรื่อยเลยใช่ไหม <Okay. S 1> เราเป็นผู้เข้าใจเราเป็นผู้นั่งฟัง s okay. <S เราเห็นไหม s okay. <S นี่มันจะมีคําว่าเรา s okay. <S เราเราเบียเสรจอย่างเงี้ยคืออัตราตัวนี้ก็มาสําคัญผิดถ้าปัญญาไปวิจัยเราเส้ยมันไม่เป็นไร ถ้าถ้าพูดด้วยปัญญาคำว่าเราพูดด้วยสติสัมปชัญญะได้ด้วยคำว่าเราไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอัตาเข้าไปยึดว่าเรามีอยู่จริงเขาถึงบอกว่าเขามีหน้าที่อย่อยางว่าไปกระทําสิ่งที่ไม่จริงนะว่าจริงแล้วก็ยึดสิ่งที่ไม่จริงว่าเป็นของจริงแล้วก็รายงานสิ่งที่ไม่จริงนั้นให้จริงเรื่อยๆขึ้นไปจนทําความเข้าใจผิดในกระแสขานธาตุอายตนาของท่านบุญ น, นั้นได้ก็เลยเข้าใจว่ามีอยู่จริง ลำดับแรกก็คือมีความเข้าใจว่ารูปเยทนาสัญญาสัญขารมีอยู่จริงเมื่อตรงหนานแน่นตนเองแล้วก็เริ่มเอื้อมมาข้างนอกว่าอัตนริยะสิ่งที่เนื่องด้วยตนก็เลยมีของจริงนะคล้ายๆว่ากระดุมเม็ดแรกมันผิดเม็ดสองสามสี่ไม่ต้องพูดถึงคือความเข้าใจในขันทาตอจันทน์ผิดภายในมันผิดแล้วพอพายแล้ววัตถุไปยึดวัตถุภายนอกก็พลาดทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีอยู่จริง เข้าใจแล้วเนาะได้ผ่านไปจากตรงนี้บอบอกเข้าใจแล้วจะทำท่าปลอบไปลเลือกั น, นยัง้วสอบนี้ฮะแล้วจริงๆเป็นอย่างนี้ไหม เอามีใครเข้าใจสักยะกทิฏฐิอัตตาทิฏฐิเริ่มเริ่มชัดขึ้นแล้วเริ่มชัดใช่ไหมถ้าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่ไม่เห็นโทษนะการเข้าใจนั่นแหละจะเป็นปจัจจัยในการเห็นโทษแล้วก็จะระมัดระวังมากขึ้นใช่ไหมมาถึงพยายามว่าเอ๊ะเราจะทําความเข้าใจยังไงให้มันชัดขึ้น ก็เหมือนแต่ก่อนเนี่ยยอมบวรวาดก็ยังชะชราใจใช่ไหมว่าสบายใจเนี่ยเราก็มีแค่สักยะทิฏฐิเท่านั้นเองใช่ไหมชีวิตของเราก็ไม่เห็นต้องระมัดระวังอะไรได้เลยพ่อพระพ่อในพระธรรมกถาจารย์ท่านก็บอกไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่าแล้วว่าสักยะสักยะทิฏฐิเนี่ยไม่ห้ามสวรรค์ห้ามมัดท่านหมายความบอกว่าโดยกว้างกว้างใช่ไหมโดยกว้างกว้างเนี่ย คำว่าไม่ห้ามแปลว่าแม้มีสักกายทิฐินี่แหละก็มีความเพียรพยายามในการที่จ ะ, จะเจริญธรรมกุศลเป็นต้นและความสำคัญว่าเราทำเข้าใจตรงนั้นอยู่แต่ถ้าคุณจะไปจริงๆสวรรค์ไม่ได้ไปด้วยสักกายทิฏฐิท่านไม่ได้ขยายไว้เพราะสักกายทิิฐินเป็นเกิดร่วมกันกับโลภะ ถ้าโลภะเกิดขึ้นด้วยชาวนะถ้ากรรมที่ทําด้วยสักยติที่ทุกกรรมไม่มีทางไปสวรรค์เลยไปนรก<ม>กระสาติราฉานเท<ม>่านั้นเพราะความเข้าใจมันเป็นโลภะกรร ม, ม, มที่ทําด้วยโลภะมันจะไปสุคติได้ยังไงดัง<ม>ั้นในตรงนี้ท่านซ่อนอัดไว้ เราก็ต้องมาขยายให้มันชัดลงมาใช่ไหมขยายชัดท่านถึงมาสรุปบอกว่าขึ้นชื่อว่ามิจฉาทิถีแล้วไปสวรรค์ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีมิจฉาทิถีไหนไม่ต้องพูดถึงทิถีแรงเราเอาทิถีต่ำๆอยากจะไปสวรรค์ได้ยังไงท่านถึงบอกว่าโอกาสพลาดมันสูงเวลาท่านอุปมาบอกว่าใช่ไหมอุปมาอย่างไงเขาโคขนโค ก็ไม่เห็นโทษเห็นมไหมก็ไม่เห็นอีกนะเนี่ยเขาโคขนโคเนี่ยใช่ไม่ใช่เพออร่อวมาอะไรนะห่วงลอยไมปในหมาสมุเน <S <S เนี่ยเต่าตาบอดเนี่ยร้อยปีโผล่มาสวมก็ห่วงทีอ่ะโอกาสเป็นมนุษย์ยากเน่ยก็ไม่เข้าใจนี่เที่อยากให้เข้าใจว่าเนี่ยอัตติถีที่มัฝังนั่นในกำมูลสันดาลเนี่ยมันไปสวรรค์ยากเป็นมนุษย์ยาก ใช่ไหมฮะกนแล้วแต่ไม่มีปัญหาเลยเขาเาเาเลือกกี่โมงนะโอเคงั้นงั้นยังเปิดเอาเดี๋ยวปิดนน่นหนปิดปิดคืน เลี้ยว stop ตรงไเ้ยมาปิดเองนะปิดตรงนี้ตไหนอาจารย์ตรงนี้ตรนี้ตรงนี้ตรงนี้